อันนี้เราก็เริ่มที่เด็กชายนคุณนคุณตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นเั้งเลยอาจารย์กลับนมัสการค่ะอ า, าจารย์ทำ น, นวันวันวัวันเสไปญี่ปุ่นครับวันเสารนี่เหรออลอไปจะไปทำอะไรครับจะไปอยู่นานไหมไป2องอาทิตย์ครับ2ออาทิตย์นะโอเค อสองที่นี้ต้องไปโรงเรียนรึเปล่าแล้วไม่ต้องเรียนเจตีเจตีเมตต์หยุดเรียนทั้งมเมตตโรงเรียนที่เก่าโร ง, งเรียนเก่านี่ลรลาออกไปแล้วใช่ไหมเร า, เราเกลับไปเรียนไม่ได้แล้วตอนนี้พู้ดีดีจะใช่ครับเราคุยไปเลยค่ะ อนหนอยไปยังงคอ้าวกลับสวัสดีครับอาจารย์จค่ะเจวันห่วงทีวีครับอาจารย์เอาไปปนอนปกลับอาจารย์ครับวันนี้ไม่มีคาถามค่ะพรอาจารย์โอเคไม่มีก็ไปที่จมัตกับแจที่ก่อนจมัตจที่กราบนมัสกรอาจารย์ครับ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 เวลาเจอข้อสอบจริงๆมันจะจะจะทุกข์มากนะทาตอนนี้มันไม่ทุกข์เพราะเรายังไม่เจอของจริงเป็นแต่เจอแต่ชื่อมันยังไม่เจอตัวมันนะเดี๋ยวเราเจอตัวมันถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงอะไรนั่นก็อาจจะสายเกินไปถ้าประมาทนะถ้าไม่ประมาทต้องยอมรับยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายนะครับ น่างกายของเรามีอะไรบ้างมีผมขนและฟันดนังเนื้อเอน็นกระดูกเยื่ในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืชไตปอดไส์ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองสีสะนน้ำดีน้ำเสลด น้ำเดือมน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำเมล็น้ำลายน้ำมูกน้ำไส่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำเมล็ดน้ำตาน้ำมันคข้นน้ำเหงื่อน้ำเลือดน้ำเหลือน้ำเสลต์น้ำดีเย่ในสมองสีสับ อาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยใส้ใหญ่ปอดไตฝังผืนตับหัวใจ ม, ม้ามเข้นกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังฟันและมอดสรุปว่าร่างกายนี้ไม่มีเราใช่ไหมเราไม่เรามีอยู่ตรงไหนมีแต่ค่สามสิบสองอาการนี้ใช่ไหมใช่ครับ แล้วเราอยู่ตรงไหนอะไม่อยู่ในร่างกายเลยมีไหมไม่อยู่เราอยู่ทั้งาาาอาการฐานที่สองเลยอาการฐานที่สองก็เป็นเราหมดแล้วเปล่ใช่ค่ะแล้วเป็นเราเลยใช่ค่ะ อ, อเป็นเราแล้วเราตัดผมไปผมหายไปแล้วเรายังอยู่ อ, ยอ่าใช่ค่ะชอบใชอ่าเราก็ยังอยู่ไหมเ ไ, ได้โกนผมแลนะตัดผมไปแล้วนยะังอยู่ครับอืา ตัด น, นิดไปแล้วเร า, เรายัางอยู่หรือเปล่าอยู่แสดงว่าร่างกายนี้ไม่มีเราอยูน่นี่ใช่ไหมครับ น, นี่แหละคือวิธีพิจนรณาอัตตานาตาูปังานาตาร่างกายไม่มีตัวตนมี ต, มตาการสาม3ิบสองทมาจากธาตุสี่ดินน้ำาลงไฟค อ, อยสอนใจอยู่ใ่ไหมอ่ เวลาอะไรเกิดขึ้นกัร่างกายก็ไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเราเป็นเพียงแต่ผู้มาใช้ร่างกายเราเป็นยูเซอร์นะยูเซอร์ร่างกายเป็นเหมืนอนรถยนต์อใช้นไปอย่ากไปยึดเจ็บไปติดกับมันนะ๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปอ่า ต้องซ้อบ่อยๆคินบ่อยๆให้เห็นชัดเจนให้ปิ้งให้มาโอ้อเราไม่ได้เป็นร่างกายเลยเราเป็นผู้ใช้ร่างกายเราเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่งางๆมีอะไรอีกไหมมีคําถามไหมไม่มีแล้วอ่ะต้องทําบ่อยๆ อ, อย่าลืมเดี๋ยววันหนึ่งะจะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ เวลาอะไรเกิดขึ้นกับที่ร่างกายเราจะได้ไม่ทุกข์ไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนครับนะถ้าร้องไห้นแสดงว่ายังสาวไม่ผ่านนะเออเวลาปวดฟันเวลาทําอะไรแล้วเจ็บตรงโ น, น, งน้นเจ็บตรงนี้เราไปร้องไห้ครับอ่าลนะองรู้เฉยๆพุทธโธพุทธโธไปเวลอยากจะร้องไห้กับพุทธโธพุทธโธ่ ครับครับใจยังไม่เข้มแข็งมันใช้พุทโธช่วยให้เข้มแข็งให้ใจรับรู้เฉยๆไม่ต้องไปไม่ต้องไปกังวลเต้นเต้นตกใจกับอะไรกับร่างกายครับโอเคนะมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับไม่มีก็ไปให้คุณตะวันตะวันเนเธอร์แลนด์ ครับท่ามผู้การแพร่ชันครับมีคำถามไหมวันี้เป็นหนึ่งองครับว่าหนึ่งคำถามครับไม่ใช่หนึ่งงานใช่ครับแค่หนึ่งองคครับเมื่อไรบนวันมาเป็นดีที่สุดเอาไว้ทำสมาธิในเช้ากลางวันหรือท่าก่อนนอนครับถ้าเราต้องลองดูในอันไหน แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยก็ลองทำเช้ากอนนอนก่อนอะไรหลังลองไลายลายเวลาดูแล้วดูว่าเวลาไหนมันมันไม่ใช่อยู่ที่เวลาหรอกตะวันมันอยู่ที่สติถ้าสติไม่ดีเวลาไหนก็ไม่ดีเท่านั้นแหละยังต้องฝึกสติให้ดีมากๆแล้วเวลานั่งจะนั่งเวลาไหนก็ดีทั้งนั้นถ้าไม่ฝึกสติเลยมานั่งปุ๊บเลยไม่ได้เรื่องเลย ใจคิดด้วยเปื่อยไม่ได้ผลนั่งแล้วไม่ได้ความสงบนะยังไไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาให้กังวลเรื่องสติต้องสมาธิจิตจะสงบจิตจะได้ผลดรือไม่อยู่ที่สติเป็นหลักถ้าไม่มีสติแล้วต่อให้เวลาไหนดีขนาดไหมมันก็มันก็สงบไม่ได้ใจมันก็ไม่มีไม่มีตัวคอยหยุดความคิด เราใช้สตินีห้หยุดความคิดจิตึงอย่าสงบได้นะลองดูนะพยายฝึกสติเนื่อตาขึ้นมาก็าท่องพุโทโธพุโทโธไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุโทโธพุทโธอยู่เรยๆอย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เกิดประโยชน์เลยอยู่กับพุโทโธได้ประโยชน์มากกว่า แม่มีอะไรไหมอ่ามันนี้ไม่มีคําถามเช่าค่ะพรอาจารย์นี่แน่ใจนะ <laughs> คือจะจะเล่าให้อาจารย์พระอาจารย์ฟังอย่างเดียวก็ได้ค่ะพระอาจารย์คืออช่วงนี้เป็นเป็นฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมคะพรอาจารย์แล้วก็อ่ากับคุณมาโก้เราเราก็ชอบไปเดินที่ป่านะคะพรอาจารย์แล้วก็อ่าคือมีความรู้สึกว่ามัน จะชอบเดินช่วงเนี้ยอความชอบมันชอบมากกว่าช่วงเป็นฤดูใบไม้ผลิค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเหมือนว่ามันได้เห็นสัตธรรมท่ะคะพรอาจารย์บางทีตามทางเนี่ยใบไม้ที่มันมันแก่ๆมันเน่าๆเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์คือก็อาจจะไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเนี้ค่ะพรอาจารย์เพราะว่าสังเกตดูว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในแถบใช่ไหมคะพรอาจารย์เขาจะมาแบบสวนดอกไม้ช่วงฤดูใบไม้ผีิมาชมดอกไม้อะไรอย่างเนี้ตอนช่วงเบ่งบายอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ แต่ว่าพอผ่านช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยความนิยมมันก็ลดลงนะคะพระอาจารย์ก็ไม่มีใครชอบของตายชอบของเป็นถูกต้องนะชอบของสวยของงามของไม่สวยไม่งามก็ไม่อยากจะดูไม่มีใครอยากจะดูซากศพนะมีแต่พวกเราพวกบ้าเท่านั้นที่อยากจะดูซากศพกันลแล้วก็เรื่องนี้มันก็ เอาไปเล่าคุยกับทุกคนก็ไม่ได้นะคะพระอาจารย์เราต้องเลือกคนอเอาก็ไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยคุยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเขาเขาเรื่องนอกจากเขาจะถามเราเขาอยากจะรู้รก็บอกเข้าไปแต่ถ้าเรื่องนี้พูดไปจนวนตายเขาก็ไม่เข้าใจถ้าเขาไม่สนใจค่ะหรืออย่างบางทีอแต่คนที่เขาชอบเดินเนี่ยเขาก็เขาก็เดินป่าเขาก็มีนะคะแต่ว่า อย่างคุณมาโกเขาเกินเกินกับกับพ่อกับพ่อแม่เขาว่ะค่ะว่าเขาชอบไปเดินที่ที่ที่หลุมฝังศพแบบนี้ค่ะพระอาจารย์เพราะหลุมฝังศพที่นี่เนี่ยเขาจะทําเป็นสวนค่ะพระอาจารย์เป็นทางเดินอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เดินได้เป็นชัมม่วโมงนะคะพระอาจารย์แต่เขาก็ไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรกับพระอาจารย์แล้วก็เดินของเราไปอย่างเดียวค่ะพระอาจารย์อืมความชอบไม่เหมือนกันค่ะพระอาจารย์แต่ว่าไอไอใบไม้ที่เห็นตามทางเดินเนี่ย บางทีมันมันได้แง่คิดนะคะพระอาจารย์คือเรเดินไปพิจารณาไป ม, มันสงบสงบค่ะพระอาจารย์อก่อนที่มันจะมาเป็นแบบนี้มันเป็นยังไงมาก่อนเนี่ใช่ไหมมั น, ม, น ม, มีการเกิดแล้วก็มีการแก่แล้วก็มีการลายไปในที่สุดทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดไม่ใช่แต่เฉพาะร่างกายใบ ไ, ไม้ต้นไม้อะไรทั้งหลายในโลกนี้อะไรที่เป็นสังขารเรื่องบุญปรุงแต่งจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้มันจะต้องเสื่อมสลายไป มีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมนัติอย่าไปยึดอย่าไปติดเวลาถ้าไม่ยึดไม่ติดแล้วจะไม่ทุกเวลามันต้องจากลงไปก็<ฮ>ดีนะแล้วก็ค่ะพระอาจารย์เชิญพระอาจารย์ค่ะมันมีอะไรก็แล้วก็เ อ, อสัตวสัตว์เห็นสัตว์ป่าที่อย่างเช่นพวกวางอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์ ก็ไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่นะคะพรอาจารย์แต่ว่าเ อ, อก็สังเกตดูว่าพฤติกรรมสัตว์ว่าเวลาเขากลัวเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่มีมัรยานะคะพรอาจารย์เขากลัวเขาก็แสดงความกลัวออกมาอย่างเนี้ยค่ะพรอาจารย์แล้วก็ยังยังกว้างเห็นบางตัวมันเล็มหญ้าอยู่อย่างเงี้ยบางตัวก็แบบคอยระแวงระวังพายอย่างเงี้ยค่ะพรอาจารย์แต่บางตัวก็เหมือนจะโลบอะคะ่ะบางทีคนเดินเข้าไปใกล้ๆ ก, ก, ก็ยังจะกินหญ้าอยู่อย่างเง้ย อันนี้ก็เท่าที่สังเกตนะคะรรแต่สามารถํานึกของแต่ละคนของแต่ละตัวบางตัวมีความระมัดระวงังมีสติมากบางวับางตัวก็มีความหลงมากก็เพลิดเพลินกับการสวาปามใช่คขาพระชาา แต่สัตว์ก็ไม่มีมรนยานะคะเพราะเขากลัวเขาก็กลัวบางทีเขาก็แสดงอาการออกมาอย่างนี้ค่ะพระอาจาร ย, ย์อย่างนี้เขาไม่มี เ, เขาไม่มีเหตุทำไมไปไปแสดงมรรยานกับใครไม่ไเหมือนมนุษย์เห็นมนุษย์บาทีใจอย่างแต่การแสดงออกเนี้ต้องเป็นอย่างเพื่อรักษาฟอร์มไม่กเพื่อรักษาอ m a g e ใแต่สัตว์มันไม่มีเรื่องราวเหล่านี้อยู่ในใจมัสัตว์มันเกิดมามนุษย์แค่เพียงนย อันนี้จะหาอะไรกินหาอะไอยู่ไปวันวันหนึ่งของมันไปแต่ไม่มีเรื่องราบยศเสนอมาเกี่ยวข้อาด้วยมันก็เลยไม่มต้องมีมารยาอ๋อก็คือเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้จากจากสิ่งรอบตัวอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็เลยอสร้างอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรสัญญาใช่ไหมคะที่ว่าปากอย่างใจอย่างอย่างนี้คะ่ะอาจารย์เป็เพราะไอ้ตัวอ๋อภาพลักษณ์รักษาภาพต้องรักษาอะไร รักษาสมบัติรักษาอะไรไว้แต่สัตว์มันไม่มีที่กับเก็บกับเก็บสมบัติไม่มีไม่มีฐานะสูงต่ำอะไรมันมันมีแค่มัมีแค่การการอยู่รอดของมันไปวันวันหนึ่งทนั้นเองก็คือหากินได้นอนหลับไม่ถูกทำลายแล้วก็ในรวมเพศในรูปพอกธรรมชาติมันก็เลยไม่มีอะไรซับซ้อนขึ้นมาใช่ไหมตรงไปตรงมา เอออย่างนี้ที่ว่าพระพระทุดงพระท่านนิยมไปไปเดินป่าไม่ได้เดินในเมืองพ ม, มันไม่มีพิษภัยเหมือนก็อยู่ในเมืองอย่างนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์เป็นเหตุผลหนึ่งอ๋อท่านไปทุดงเพราะต้องการสมหาความสงบพระอาจารยที่สงบไม่ใช่ไปปวดชาวบ้านว่<ม>าฉันเป็นพระธุดงแล้วก็เดินขบวนต่างๆมนเป็นร้อยเป็นถทยถ่ายถ่ ย, ถ ย, ถยวิดีโอโพสที่นู่นที่นี่นี่มันเป็นการฟอร์มแล้วม่าเอๆ การสร้างภาพนะสร้างอ m a เมจชาวบ้านไม่รู้เรื่องเรื่องเลา้เ mm. คิดโอ้โหพระวิเศษมาแล้วเนี่ยเดินเดินเท้าเปล่าได้ mm. เป็นกิโลกิโลอยากจะทำบุญด้วยอยากจะขอพรนะมันก็กลายเป็นวิธีการขายนะ mm. มันพูด ง, ง่ายๆคนที่ทุดตกจริงๆเขาไม่ต้องเขาไม่มีอะไรจะขายเขาต้องการจะฆ่ากิเลส mm. คนเรื่อง ค่ะค่ะโยมก็ฟังพระอาจารย์ให้ความคิดอีกย่างหนึ่โยมก็ไม่กล้าพูดเฉพาะว่าเป็นลิ้นจกกับพระโยมก็ต้องระวังคำพูดของโยมดีนะนเราเป็นโยมเราอย่ายไปยุ่งกับพระไม่ยมุ่งได้ไม่คุ้มเสียไม่ใช่เรื่องของเราค่ะแต่ น, นี้<ม>นีธรรมดาเราก็ไม่พูดอแต่ถ้ามาพูดถ้าเ็นประเด็นบ่อยมากก็ต้องเราก็ต้องอธิบายให้ฟังค่ะทุงง่นดงคือการไปปีกวเว้หาที่สงบสงัดเพื่อจเจริญสมถะภาวนาอืม ไม่ใช่ไปกันเป็นฝูงบางอย่างมักจะไปเดียวแล้วไปอย่างมากองสององถ้าถ้ายัางใหม่อยู่ยังไม่ชำนาญก็อาจจะเกาะผู้ใหญ่ไปก่อนแต่ถ้าชำนานแล้วเป้าหมายก็คือต้องการไปคนเดียวต้องการที่จะไปสร้างพลังของตนเองถ้าอยู่ไปหลายคนมันต้องมันก็จะไปพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้ถ้าไปคนเดียวมันพึ่งใครไม่ได้มันจะต้องพึ่งตนเอง โอเคมีอะไรไหมว้อไม่ยังก็มีแต ja okay. okay. uh, so, ่เดี๋ยวระบายสัปดาห์หน้าก็ได้สิค่ะพระอาจารย์โอเคถ้างั้นก็ไปก่อนนะแต่ขอบพระคุณค่ะพรอาจารย์นะครถึงไปที่คุณหมอพเชษต่อหมกลับนมัสการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายถ้าจิตเข้าวสู่กระแสแล้วครับพรอาจารย์คือการเข้าสู่กระแสก็เหมือนกับ เป็นการเกี่ยการที่เราลงเรือไปลงลงนะลงลงเรือ ล, ลงไปแม่น้ําเจ้าพยาเนะี่ยแม่น้ำเจ้าพยามันก็จะพาเราไปไหนลนะ่ะออกไปปากอา่าวเนี่ยไม่ว่ามันไม่หลมันไม่หลายไปทิศทางเดียวนกระแสของแม่น้ําเจ้าพยาไม่ว่าเราจะลงลงที่ไหนก็ตามลงอยุธยาลงชัยนา้าทหรือลงอสิงห์บุรีหรือที่ไหนที่มีแม่น้ําผ่านเนี่ย พอเราลงเรือไปแนละ้วถ้าเราพายเรือมันก็จะพาเราพายมันเ ร, มเราไม่ท้ามไม่ต้องพายเลยถ้าเราปล่อยให้มันไปพาเราไปตามกระแสของมันองั้นผู้ที่ปฏิบัติเข้ากระแสนี่เข้าไปหนึ่งกระแสที่จะพาไปสู่นิพพานคนที่จะเข้าสู่กระแสระดับแรกก็คือพระโสดาบันเคำว่าโสดาเนี่ก็มจาจากคาว่ากระแส ผู้เข้าสู่กระแสโสดามาจากคำบาลีว่าโสดาโสตาแปลว่ากระแสกระแสที่จะพาจิตให้ไปสู่นิพพานให้หนุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ใดที่ได้ละสังโยชน์สามข้อแรกก็จะได้เข้าสู่กระแสทันทีแล้วอย่างนั้นก็กระแสก็จะพาให้ไปละสังโยชน์ที่เหลืออยู่ให้หมดไปต่อไป จะไม่ไปทําอย่างอื่นนะผู้ที่เข้าสู่ประแสนอกจากว่ายังมีภารกิจและมีความรับผิดชอบที่ยังไม่สามารถไปปฏิบัติเพื่อให้กอบจัดกันสังโยชน์ที่เหลืออยู่ให้หมดไปได้ก็อาจจะอาจจ ะ, จจะพักไว้ก่อนแต่พอว่างเมื่อไหร่มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะกลับเข้ามาสู่การปฏิบัติเพื่อลัสังโยชน์ต่อไปบางคนอาจจะมีภาระ พอเป็นว่าเป็นโสดาบันแล้วอาจจะมีภาระยังต้องเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูลูกเลี้ยงพ่อแม่อยู่เลยก็ยังไปบวชไม่ได้ไปเปรมไม่ได้พระนนทนี่ก็ท่านก็บนรูุเป็นพระโสดาบันแต่ท่านต้องไปรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่ยี่สิบกว่าปีด้วยกันท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติต่อไม่ได้เวลาสัามีว่าไม่มีเวลาแต่พอพระพุทธเจ้าสเสด็จดับขันธ์บางที่ผ่านไปแล้ว ถ้านอนก็ว่างนะว่างจากงานมีเวลาที่ไปภาวนาได้เต็มที่ในทุดดงได้เต็มที่นะท่านก็ไปเปีกไม่เมฆทุดดงอยู่ในป่าสามเดือนท่านก็บรรลุเป็นพระอรหนันต์ขึ้นมาไปกำจัดสังโยชน์ที่เหลือให้หมดไปจากใจยังไม่ว่าใครก็ตามถ้าลองเข้าสู่กระแสนั้นะถ้าลองได้ละสังโยชน์สามข้อแรกแล้วจะรู้จะมีเครื่องมือจะรู้วิธีละสังโยชน์ที่เหลืออยู่ให้หมดไปมาจากปัญญา ปัญญาต้องเห็นตายรักในในสิ่งที่จิตยังไม่ยึดไปติดอยู่ยืดร่างกายยึดเมตนายึดธรรมารมต่างๆนีน่ก็ต้องใช้ปัญญาคือตายรักอริยสัจสี่เป็นเครื่องมือกำจัดสังโยชน์ให้หมดไปจากใจครับเข้าใจมากขึ้นมากเถอบอาจารย์ ยังคุ้มโดยตอนนี้ต้องเข้าวลฏสงโยสามข้อแรกให้ได้นะแล้วการยละได้นี้ต้องมีสมาธิระดับอับปปนาสมาธิมีเข้าฌานสี่ได้ทําจิตให้นิ่งให้วางเฉยได้อ เ, เวลาเราพิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเราจะได้วางเฉยได้มันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับมันแต่ถ้าไม่มีอุเบก้าไม่มีสมาธิ เฉยไม่ได้ตอนนี้ไม่มีกันเน้อรู้เนี่ยร่างกายทั้งแก่ต้องเจ็บต้องตายพอต้องไปหาหมอเท่าไหร่พอหมอบอกเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาแล้วก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้ามีอุบัติเหตุรู้อยู่แล้วมันต้องเป็นหงายแก่เจ็บตายไปทุกข์กับมันทําไมไม่เดือดร้อนกับมันทำไมมันก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วเราก็ไปไปห้ามมันไม่ได้มันมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้เป็น อย่าไปรักษาใจท่าเลยรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับร่างกายก็ต้องปล่อยปล่อยร่างกายเพราะมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมเป็นเบญจตา่างไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราถ้าไปอยากให้มันอยู่แล้วมันก็จะทําให้เราทุกข์เห็นตใจรักที่เกิดจากการไปมีความผูกพันมีความยึดติดกับร่างกายพอเห็นตใจลักก็ปล่อย พอเห็นตอนต้นเห็นทุกข์ทุกข์กับร่างตายพอรู้ว่าทุกข์พว่าเราไปยืดไปติดไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ <c oughs> เลยทําให้ทุกข์แต่พอมองความจริงมันต้องต้องแก่เจ็บตายอยู่เองจะอยากไม่อยากก็มันก็าไปมันก็ไปยา้ามยังความความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้แล้วอยากก็ทุกข์ถ้าไม่อยากก็มไม่ทุกข์ แล้วใครอยากจะไปทุกข์ก็ปล่อยนปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายก็หายทุกข์แล้วต่อไปสังโยตัวนี่ก็เหมือนกันมันก็ตัวที่เราไปยึดไปติดไปทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ใช้ตายรักประหยุดมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหมด <c oughs> ก็ถึงนิพพา น, ปนพปดีวันละสังโยได้สิบข้อขมวด ไถึงไม่ผ่านพูด <c oughs> แต่โดยที่จำมป็นจะต้องมีก็สมาธิการอยู่เบคกขาแล้วก็ปัญญา่านเห็นตายรักเห็นเห็นอสุภาพ <c oughs> เห็นเห็นปฏิโกูน ะ, ะไต่างๆนี่ <c oughs> ถึงจะราบความอยากได้รับความอยากก็คือสัมโยชนั้นสัมโยชนันมี ชื่อลักษณะต่างๆยังไงอยากในร่างกายอย่างในความสวยงามของร่างกายนีก็เป็นสัโยชนศอมราคะอย่างอย่างอย่างอย่างเด่นอย่างดางกว่าผู้อื่นอย่ยเธอยังมีตัวต๊ยังมีตัวตนอยู่อยากให้จิตนี้ผ่องใสตลอดเวลาของเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไม่มีตัวตน ต้องบันดาลไปมันก็จะเข้าใจขั้นตอนละสังโยชน์คือสกายรัติเทให้ได้ก่องในร่างกายกับเวทนาคือความเจ็บปวดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันต้องเจ็บอยู่กับความเจ็บให้ได้ปล่อยวางความเจ็บมันจะเจ็บก็เจ็บไปอย่าปอะหยัดให้มันหายเพราะมันไม่หายด้วยความอยากของเราแต่มันจะสร้างความทุกข์ให้จ่าขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งโดยใช่ เวลไม่ต้องการสร้างความทุกข์ให้กับใจเราก็ต้องอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไปว่าอยากไปมันก็ไม่หายอยู่ดีอย่างเวลามันจะหายก็หายเองทำอะไรไม่หายทํางานมันก็ไม่หาย <c oughs> โอเคนะคุณบมอครับขอบคุณครับอาจารย์อ่าท่านต่อไปคุณแอนวันนี้ไปอยู่สิ่งไหนของโลกะ กลับมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเพิ่งกลับถึงกรุงเทพเมื่อเย็นนี้เองค่ะจัดกระเป๋าเตรียมไปวัดพรุ่งนี้ละคะ่ะไปอยู่กี่วันอ่ารอบนี้ไปสามวันนะคะไปไปบนเขาอ่ะคะ่ะครั้งแรกครั้งแรก็รกนะ้องดูอยู่คนเดียวอยู่เฉยเฉได้หรือเปล่าไม่ต้องทำอะไรหรือว่าหนูน่าจะทำได้แต่อาจจะง่วงกลัวเรื่องง่วงเนี่ยนะคะ่ะประหยากกินมากกินน้อย ค่ะก็ก็คงขึ้นไปรอบนี้ก็คง ท, ทานมือแค่แค่ก่อนเที่ยงลองอทําถือสินแปลต์นะคะค่ะ อ, อย่างน้อยต้องเสียสินแปลตค่ะลองลองดูค่ะแล้วเดี๋ยวอ่าวันกลับหรือแวะขึ้นไปฟังฟังธรรมะที่หน้ากุฏิด้วยค่ะวันอาทิตย์เนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้วันนี้หนูมาพรุ่งนี้พระฤาษีรพ ร, ระฤาษศึกษาวัวนเสาร์อะค่ะวันเสาร์ค่ะเดี๋ยวได้แวะไปกราบหลวงพ่อด้วยค่ะ ขอพรหลวกพ่อด้วยนะคะหนูไปปฏิบัติครั้งแรกบนเขาคนเดียวแขอสติขอสติทั้งนั้นให้มีสติแล้วก็อยู่ได้ขอบขอบคุณจ้ะค่ะใจมันเริ่มใจมันเริ่มแปรปรวนก็ใช้พุทโธพุทโธไปนั่งสมาธิไปยันจงกรมไปอย่าอย่านั่งเฉยเฉยอย่าปล่อยให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆค่ะจะพยายามปฏิบัติดูค่ะรอบนี้จะตั้งใจค่ะสามก็พอถ้ามันก็ห้องสอบมันก็มันก็ มันก็ไม่ไมนมันก็ขี้เกียจมันก็จะไม่ทําข้อสอบกันใช่ค่ะต้องจับให้มันเข้าห้องสอบลองลองไปห้องลองไปทดสอบตัวเองดูว่าจะผ่านไหมลองจกครั้งตัวเองดูสักสาวันนึงค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่เดี๋ยวไปกลาวหลวงพ่อนะะสาธุอาจารย์พรมพิไลครัคุณอนุกุลกลับน้ำมกรรรารอาจารย์ครับเป็นยังไง สบายดีฮะอาจารย์ออนนี้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะแตช่วงนี้ลาลาลาไปหลายที่นะโดยเฉพา ะ, ะด เ, เดือนนี้มีรายการเยอ ะ, อะวัวละทิศเดือนหน้างเยอะใหญ่ทันมาส่งทางเดือนหน้าพราวๆไปแล้วฮะพยายามที่จะให้มันจบเดือนนี้แล้วก็พอแล้วครับเพราะเดี๋ยววันอาทิตย์ก็ไปเจอน้องๆมาหลังจากหลายเดือนะอได้ได้ เจอน้องทุกคนอ่ะไม่ดีเจอกันไว้เราไปอ่านจะไม่ได้เจอนะ้วเกือบจะไม่ได้เจอไปแล้วคตอนนี้ตอนนี้ยังมีเรามหายใจอยู่อยากจะทำอะไรก็ทําเสียเดี๋ยวเวลาไม่มีเรามหายใจแล้วทาไม่ได้นะเวลาใกล้เข้ามาค่ะใกล้ฝังก็ไปทุกทุกวันทุกวันแล้ว ก็ลองเร่งปฏิบัติธรรมค่ะอย่างน้อยจะได้ไปอยู่ในเรือเรือเรือเรือเบอร์ฮะเรือเรือเรือเบอร์จะได้ไปได้เร็วขึ้นอช่ลงลงลงแม่น้ำเจยาพญาจะได้ออกไปปั่งอ่าวไทยได้ค่ะก็น่าจะน่าจะไปเกือบปาอ่าวแล้วมั้งค่ะอขอขอเข้าไปกระแสน้ําเชี่ยวผงเจ้าพยาอยู่ค่ะก็รีบเล่งอยู่ค่ะต้องการ ทานเส้นภาวนานะทุกวันนี้ไม่เคค่ะค่ะการส้ภาวนาแล้วก็ย้รักเอระศักราทิธิวิชิกิจชัดจรัสปัลปมาดนะคะตามๆอย่างเล่งดวนค่ะอ่าีบยทำนะค่ะ่อนที้เวลาจะหมดเวลาเหลือน้อยอยู่โอเคค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะมากราบค่ะ ไปที่คุณสารกาได้ไนที่คุณสารกาต่อ c h i n มาฝักครับขพระอาจารย์โอเคมาไปที่คุณลกษาเวลาที่ว่ากลับถึงบ้านแล้วใช่ัหยตอนนี้นักะการค่ะพระอาจารย์ถึงบ้านแล้วค่ะกลับมาแล้วก็ก็ดีค่ะพระอาจารย์ขึ้นเขารอบนี้ จากการที่ว่าจากที่ว่ากลัวใช่ไหมคะอาจารย์ได้ยินเสียงโยมใช่ไหมคะอ๋อใช่เชนใช่เชนคือโยมขึ้นเขาไปพร้อมกับความไปแก้ปัญหาเรื่องความกลัวก็รอบนี้ไม่กักตัวแล้วค่ะออกมาอยู่ข้างนอกได้ค่ะแล้วก็ปฏิบัติได้ดีค่ะแล้วก็เห็นตัวเองค่ะอาจารย์ว่าอะไรที่ทําให้เราเป็นแบบนี้เราไปเจอตัวเองเจอตัวเองแล้วก็มันรู้สึกว่า ต้นเหตุที่ทําให้เราเป็นแบบนี้พอเจอนะคะจารย์น้ําตามันร่วงเลยค่ะจย์เราเห็นว่าอะไรเป็นมูลเหตุที่ทําให้เราเป็นแบบนี้มันมันไปวันแรกๆคือมันฟุ้งค่ะจาย์มันทําไม่ได้มันก็รู้สึกว่าเป็นกิเลสของตัวเองก็พยายามคิดพยายามวางก็มันยังไม่ได้จนกระทั่งมันทําได้นะคะอาจารย์มันนิ่งอยู่ไปเป็นชั่วโมงแบบมันเข้าสมาธิได้ลึกขึ้นนะคะ แต่พอเรารู้สึกลำพองว่าเราทําได้สามรอบติดเราก็จะทําอีกแต่ปรากฏว่าคราวนี้ไม่ได้ค่ะอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่จนกระทั่งมันมีความฟุ้งซ่านค่ะอาจารย์มันก็กลับมาเลยก็โยมก็เลยเอาความคิดนั้นมาพิจารณาใหม่นั่งภาวนาตั้งแต่ตีสองจนถึงตีห้าครึ่งอาจารย์มันถึงได้ปลดล็อกได้พอปลดล็อกได้มันก็สงบค่ะอาจารย์แล้วก็เดินออ ก, ออกมาเดินจงกรมเสร็จค่ะ กลับมาถึงบ้านด้วยความปลอดภัยเดินทางสองวันแล้วก็ผ่านโรงเรียนของพาา่อจารย์ด้วยนะคะโรงเรียนเจริญศึกษาที่ตันหยงมัดค่ะน ช, ชื่อเจรินศึกษาไอชื่อเจริญศึกษาค่ะตอนนี้ใหญ่โตค่ะสวยงามเมือ่อสัจะไปโรงเรียนเตีนใช่ไหมเม่อสักเม่อวานเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้นนะคะอาจารย์อตอนนี้คือเขาก็เปิดถึงตันอยงมัดก็ดีเคยเรียนอนุบาลอยู่ใช่เตรีนเม่อเทอมเมือนก่นก็ดี เนอเคยเห็นรูปถ่ายมีมีมีมีเครื่องแบบเขียนเนอย้อไงเนอเนออะไรเนะลาทิว่าเนอค่ะเมื่อก่อนจะใช้ลาที่ว่าจะใช้นอทค่ะอาจารย์แล้วก็ไม่้อาเนอมันอยู่ที่ไหนมันออยู่ตันหลวงวันก็อยู่บริเวณันละที่ว่าก็จะเป็นค่ะจะใช้ชื่อเป็นแล้วก็หมายเลขลำดับค่ะอาจารย์โรงเียนี่อยู่ใกล้สถานีรถไฟใช่ไหมใช่ค่ะอยู่เลยสถานีมนิดเดียวหันไปทางขวาก็เห็นเลยค่ะอืตอนนี้สวยค่ะอาจารย์ ใหไดโตค่ะแต่การขึ้นเขารอบนี้รู้สึกว่ามันมันยังมีความกลัวนะคะอาจารย์ตอนแรกๆรู้สึกกลัวโยมก็เลยบอกว่าเราชอบไม่ใช่เหรอต้นไม้แบบนี้สวยไม่ใช่เหรอทําไมเราต้องกลัวโยมก็เลยเปิดบ้านบางตาออกหมดเลยค่ะอาจารย์อืมดีค่ะได้ัวเรามาเดินโยงกลมนางคืนมากนั่งสมาธิ้างกนั่งนั่งนั่ง ค่ะแต่ว่าคือข้างนอกออกมาเดินค่ะอาจารย์แต่ว่านั่งนโยมจะนั่งข้างในรู้สึกเหมือนกับว่านั่งข้างในมันจะได้จริตมากกว่าแต่ว่าการานั่งรอบนี้คือมันมีการแบบนั่งได้นิ่งเป็นชั่วโมงค่ะอาจารย์เกือบชั่วโมงค่ะประมาณนั้นนั่งได้นานแต่ก็พอรู้สึกทําได้ทําได้ทําได้ก็รู้สึกคิดว่าต้องได้ทุกครั้งแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ทุกครั้งมันก็รู้สึก ถ้าเตะแล้วยังไม่มั่นเขายังไม่ใช่ค่ะขึ้นกับนองเราเยอะใช่ใช่ค่ะทีนี้มันมันมีความรู้สึกว่ามันพออีกวันหนึ่งพอมันรู้สึกมันแขว่งค่ะอาจารย์โยมก็เลยเอาปัญหานั้นนั่งไม่ได้ตั้งแต่ตีสองก็เลยเอาปัญหามาพิจารณาพอเราไปไปตีโจทย์แตกปุ๊บมันโล่งค่ะอาจารย์แล้วมันก็สงบลงมันนิ่งไปเลยค่ะหันมาดูนาฬิกาตีห้าครึ่งค่ะตั้งแต่ตีสองจนตีห้าครึ่งค่ะอาจารย์แต่ก็นั่งทําได้อยู่ค่ะอาจารย์ มีความสุข ด, ดีค่ะอจะพยายามไปค่ะพยายามรักษากลับมาบ้านก็ลองทําต่อค่ะตอนนี้ก็ตั้งปณิธานไว้ว่าจะดึกยังไงก็ต้องนั่งภาวนานมากน้อยแค่ไหนก็ต้องทําค่ะ อ, อ่ารักษาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวน่ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ใช่ค่ะแต่ก็ความกลัวที่ความกลัวที่อาจารย์บอกว่าลองไปเผชิญกับมันได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะวัยมเนส่วนใหญจะมีปัญหาตรงที่ว่าไปเห็นภาพแล้วมันติดตา ติดตาแล้วก็มันกลัวแล้วก็เลยสู้กับมันอยู่ค่ะอาจารย์ทั้งแรกๆสู้กับมันแล้วก็คําของอาจารย์บอกว่าให้เก็บมันเข้ามาในใจโยมเมื่อก่อนโยมไม่เข้าใจว่าเอามายังไงมันภาพหนองน้ําอ่าง น, น้ําที่เขาชิโอนะคะมันขึ้นหลอนโยมก็เลยวาอ๋อเอาเก็บเข้ า, าในโยมก็เลยเอาภาพเข้ามาในใจน้อมเข้ามาในใจมันสงบไปเลยค่ะอาจารย์ อ, อันนี้ก็คือได้ค่ะอาจารย์แล้วก็มันก็มีโจทย์ใหม่มาให้เรื่อยๆนะคะอืมไมต้องแก้ไนเรื่อยๆ มนจกนกว่าจะไม่มีอะไรให้เหลือให้แก้ใช่ค่ะโยมมากวาดทางเดินที่บันไดอ่ะค่ะกวาดขยะไอ้กวาดทร า, ายใช่ไหมคะพอกวาดทรายแล้วก็ทรายเมย็ดหยาบหยาบมันไปก่อนแล้วาละเอียดโยมก็ได้คิดว่าอ๋อมันต้องทําซ้ําๆไล่ตัวที่มันหยาบมันจะไปก่อนความราทรายที่ละเอียดก็แบบจนกระทั่งเหลือที่มันตกตกแน่นหนาแล้วต้องใช้ความพยายามอย่างสูงอ๋อแสดงว่าเราก็ต้องปฏิบัติแบบนั้นเหมือนกันนะคะอาจารย์ค่ะ กับขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะเ ด, เดือนอหน้าใหม่ค่ะจ้าเจาแม่จ้าตาทึกค่ะจ้าแม่น้องน้องน้องหลินเนี่ยเสียงไม่เสียงไม่ค่อยได้ยินเลยเบามากไม่เข้าเลยเสียงไม่มาไม่มาเลยพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะอ่าได้ยินแล้วหนูจะเอา เอฟังออกค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ค่ะหนูมีคําถามค่ะในสิ่งที่หนูเห็นนะคะในการปฏิบัติก่ะเขาพระอาจารย์คือตอนแรกๆอะคะ่ะช่วงปฏิบัติอะคะ่ะคือปกติชอบดูโทรทัศน์อย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์แต่พอปฏิบัติไปมันได้เห็นภายในใจอะคะ่ะพระอาจารย์ทําไมแบบมีทั้งมันมีฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีอะคะ่ะชอบทะเลาะ ก, กันอย่างเงี้ยคะ่ะ ฝ่ายฝ่ายไม่ดีก็จะบอกว่าเอ่อทําอย่างนี้สิอย่างเนี้ยเหมือนเหมือนแบบแล้วมันจะได้ตังนะมันจะรวยนะฝ่ายฝ่ายนึงก็จะบอกว่าทําอย่างนี้ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยบอกว่าโอ้หนูก็เลยมองว่าเอาข้างนอกก็มีข้างในก็มีอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เกิดจางอะไรคะความคิดของตัวหนูเองหรือเปล่าคะก็เราเริ่มปฏิบัติธรรมมากขึ้นแล้วความรู้ทางธรรมก็มากขึ้น มันก็รู้ผิดรู้ถูกมากขึ้นมันก็มาแย่งกับความผิดที่เราหลงเมื่อก่อนเราหลงเมื่อกี้มันเป็นทางที่ถูกหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติแต่พอได้ยินได้ฟังธําว่าของพวกนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ให้มาหาธรร ม, มหาสติอย่าไปหาสตั้งมันก็เริ่มเห็นมีมีทางเลือกมันก็มันก็เลยฝ่ายข้านฝ่ายข้านก็เริ่มปรากฏขึ้นมา ปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่ไฟฝ่ายค้านก็จะมีกําลังมากกว่าไฟฝ่ายรัฐบาลก็ลมรัฐบาลได้ใช่ค่าพระอาจารย์หนูก็เลยว่าโอ้หนูไม่ต้องไปดูละครข้างนอกละหนูดูแต่แบบภายในใจอบล้ อ, อกันอย่างเงี้ยค่ะพอาจารย์อ๋อชนะไฟไ่ายไม่ดีให้ได้ไฟพระอาจารย์หนูพระอาจารย์คะพอช่วงที่หนูผ่าตัดแล้วเป็นโรคเยอะๆค่ะพวกพวกโรคกับพอแล้วก็พวกโรคดมพิษอะค่ะพระอาจารย์ หนูเวลาเป็นหนูก็จะชอบกินยากินยานะคะพระอาจารย์แต่พอหนูมาปฏิบัตทิทำเนี่ยแหละค่ะพระอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยค่ะพระอาจารย์ไม่ค่อยแทบจะ ก, กินยาเลยนะคะพระอาจารย์คือลุยไปได้แต่ว่าลุยไปทํางานนี้ก็แบบฟังแต่ออ่ผู้แนะนําในใจหนูบอกว่าอันนี้เป็นประโยชน์นะอันนี้ไม่เป็นประโยชน์นะอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ในปัจจุบันเนี่ยะคะ่ะหนูก็เลยว่า มันมีผู้แนะนําตลอดเลยค่ะพระอาจารย์ก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นคอยฟังนั่นนั่งบอกเราทำที่เราเรียนได้ยินได้ฟังทั้งนี่มันก็จะสอนมันก็จะฝังอยู่ในใจไปแล้วเรื่อยๆแล้วพอปฏิบัติแล้วเราเห็นผลข้างทําทำตามทำตามทำแล้วมันสงบทําตามกิเลนแล้วมันร้อนก็เห็นเห็นผิดถูกว่าไหนดีอันไหนไม่ดีโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกเพราะเรารู้ว่าอะไรมันร้อนอะไรมันเย็นใช่ไหม เย็นมันดีกว่าร้อนทําอะไรที่ทําให้ใจเราร้อนเราก็ต้องตัดมันเลิก ม, มันทําอะไรที่ทําให้ใจเราเย็นแล้วก็ทําให้มากขึ้นไปเรื่อยๆหนูนดีใจมากเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่ากกปกติหนูแบบมีแต่กินยาแล้วพอหนูลุยปฏิบัติกับพระอาจารย์มาหนูก็เลยแบบโอ้มันดีขึ้นแบบไม่แทบจะไม่กินยาเลยนะคะพระอาจารย์ แล้วส่วนใหญ่ไม่ต้องกินอ่ะที่กินเพราะกลัวแล้วอยากจะให้ความเจ็บมันหายไปจต่ถ้าเรา<ล>มีสติมีสมาธิเราทนหยบความเจ็บได้ก็ไม่ต้องไปกินยาให้เสียเวลาใช่เลยค่ะพระอาจารย์หนูเลยแบบสาธุเลยค่ะพระอาจารย์ได้ของดีจริงๆคะ่ะธรรมโอษฐ์นี่ดีไม่มีพิษมีภัยกินยานมันก็ไปติดยาอีกแล้วยาก็มีผ ล, ลข้างเคียงอีกใช้ใช้ฝันแล้วก็เป็นโรคไตต่ออีกค่ะพระอาจารย์ รักษาโลกหนึ่งแล้วก็มาสร้างโลกอีกรอบขึ้นมาแทนใช่ค่ะพระอาจารย์เป็นกรรมเป็นกรม่องคนสาธุสาธุค่ะพระอาจารย์โอเคนะพะานนยายามใช้ธรรมะสดให้มากที่สุดนอกจากบางคราวบางคราวถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาศัย ย, ยาบ้างก็ได้แต่ไม่ได้กินแบบพ้ามเพื่อไม่ได้กินแบบพระอาจารย์จริงค่ะหนุมไม่แทบจะไม่ได้ กินแล้วก็ถึงผ่าสมองไปหลายรอบก็ไม่ชักนะคะพระอาจารย์หนูก็พยายามดูตัวเองไปเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์ ส, สู้ต่อไปสู้ต่อไปเจ้าค่ะอ่าทุกตาอยากเพชรชิบุรีหายไปหลายวันนี่เป็นยังไงสบายดีนะสบายดีเจ้าค่ะคือก็ไม่ได้เข้าซูมเพราะว่าเข้าไม่ได้เจ้าค่ะแต่ว่าก็รับฟังทางอเฟซบุ๊กไลน์อยู่เจ้าค่ะก็มี มีหนึ่งสัปดาห์ที่ไม่ได้เข้าก็คือสัปดาห์ตอนอีสามตุลาที่ผ่านมาเพราะว่าเดินทางกลับบ้านที่โคราชแล้วเพียก็เลยเผลอหลับไปไม่ได้เข้าแล้วค่ะนอกนั้นก็จะรับฟังทางทางเป็นป o ุกหลายอยู่เจ้าคะ่ะกนดูย้อนหลังได้ใช่ใช่เจ้เาค่ะก็าก็ วันนี้ลูกมีคําถามจะเป็นคําถามคล้ายๆกับคุณหมอพีเชก็ได้ความกระจ่างขึ้นมาแล้วเจ้าค่ะแต่ของลูกจะต่างตรงที่ว่าลูกลูกมีลูกสงสัยผู้ที่เข้าสู่อาศัยค่ะตอนแรกลูกคิดว่าเ อ, อผู้ที่ได้สัมมาทิฏฐิจะเป็นผู้ที่แบบเข้าสู่อาศัย แ, แล้วอะไรประมาณนะี้ในความในในความรู้สึกตอนนั้นแต่แต่พอมาพอปฏิบัติแล้วมันเตจิตใต้สำุกมันเหมือนรู้สึกว่า ผู้ที่ได้สัมมาทิฏฐิก็ยังเป็นผู้ที่ยังไม่เข้ากระแสแต่ว่าเป็นผู้ที่มีเส้นทางเพื่อไปสู่การละสังโยดแต่ละข้อละข้อตามขั้นใช่ไหมเจ้าค่ะก็สัมมาทิฏฐิมันมีหลายขั้นไงขั้นเริ่มต้นขั้นศึกษาบริยติธรรมเราศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วไปอืแล้วขั้นต่อมาั้งขั้นปฏิบัตินะ พอขั้นปฏิบัติเราก็จะได้เห็นผลของการปฏิบัติแล้วก็จะรู้ว่าวิธีนี้ถูกวิธีนี้ไม่ถูกเป็นต้นนะมันก็ปฏิบัติไปจน ก, กระทั่งมันเข้าไปสู่ระดับสัมโยชน์ถ้ามันละสัมโยชน์ได้มันก็จะเห็นอริยสัจสี่เห็นไตรักเพราะมันเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เราละสัมโยชน์ต่างๆได้ทีเราก็รู้แล้ววิธีแก้ปัญหาความทุกข์ใจก็แก้ด้วยไตรลักแก้ด้วยอริยสัจสีนี้่นั้นเอง ด้วยด้วยกำลังของสมาธิเป็นผู้สนับสนุนเจ้าค่ะมันก็เป็นสมาธิถิ่นเหมือนกันในข้อระระดับกันระดับเริ่มต้นกับระดับระดับขั้นสูงขั้นสังย้อนได้มือนเธอไปขั้นสูงสุงดแลวเจ้าค่ะค่ะอาจารย์ถ้าเข้าเข้าระดับนี้นะ้วไม่มีวันถอยหลังมันมีแต่เดินไปข้างหน้าอย่างเดียว ถ้าระดับอื่นยัง ม, มีเดินหน้าถอยหนังได้อยู่วันนี้ปากพ่เรนอยากดื่มกาแฟได้เนีย่ยพรุ่งนี้อาจจะอยากกินกับกับมกินใหม่ก็ได้เจ้ค่ะเจค่ะใจนะเจ้าค่ะค่ะค่ะมีอะไรไหมไม่ไม่มีเจ้าค่ะก็ปฏิบัติตนอยู่เจ้าค่ะยังไปสํานัก<อ>ไม่ชี้อยู่หรืเปล่าสำนักเ<อ>ุทธีหรือเปล่า ก็เดี๋ยวมีบ้านเดี๋ยวมีไปอีกครั้งหนึ่งช่วงปีใหม่อะค่ะเพราะว่าปีใหม่หนูไม่ได้เดินทางกลับบ้านที่โคราชก็จะไปอ่าถือศีลแปด ท, ที่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เหมือนเดิมเจ้าค่ะช่วงปีใหม่ประมาณสี่วันก็เปิดให้คนที่ไปอยู่ปฏิบัตินานๆมีได้ไหมหรืว่าใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ค่ะนานๆนานก็ได้เจ้าค่ะอ่าถ้านานๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ผู้ที่อ่าเป็นจิตอาสาเข้าไป ช่วยงานต้องไปทํางานด้วยไปไม่ใช่เพียงภาวนาอย่างเดียวก็จริงๆแล้วการทํางานก็คือการภาวนาค่ะพระอาจารย์หมายถึงไม่เข้มข้นแบบว่าภาวนาแบบไม่ทํางานใช่ค่ะไม่ไม่ได้แบบนั้นเจ้าค่ะโอเคได้ค่ะกลับนมัสการคระอาจารย์จ้าค่ะสาธุคุณยินเดยจากแคนซัสจะย้ายมปอยู่ไหนนะนิวยอร์กอ ยังค่ะท่านอาจารย์เอก็เป็นทางการแล้วค่ะก็เออ่ต้นเดือนมกราอาทิตย์หน้าค่ะไม่ใช่อาทิตหน้าค่ะไม่มีสติอาทิตต้นเดือนของเดือนมกราค่ะอาทิตย์แรกสองเดือนประมาณสองเดือนค่ะก็เอย้ายค่ะท่านอาจารย์ก็ขนของอันนี้จะไม่อันนี้จะไม่มีอะไรแน่นอนค่ะท่านอาจารย์ก็ก็ ทำไปตามเหตุตามบัจจัยเขาให้ไปก็ต้องไปค่ะตามหน้าที่ค่ะท่านอาจารย์ก็ก็ก็ดีค่ะท่านอาจารย์ก็ได้ประสบการณ์ไปอีกอย่างหนึ่งเปิดตาเปิดโลกกว้างขึ้นค่ะแต่การปฏิบัติก็ยังเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ก็ทําไม่ถอยกันไม่ทุกข์กับอะไรนะต้องไม่ทุกข์กับอะไรต้องย้ายไปย้ายต้องอยู่ก็อยู่ค่ะก็ตามหน้าที่ค่ะท่านอาจารย์ก็เดวิดบอกว่าเอ ก็ตามหน้าที่คือถ้าเกิดทาที่นี่มันก็ยังดีกว่าที่ทางฝรั่งเศสนะคะท่านอาจารย์คือเราก็ได้รู้ได้อะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยท่านอาจารย์ค่ะยังไงยังไงก็ไม่ได้กลับประเทศไทยอยู่แล้วท่านอาจารย์ก็มันก็ที่ไหนมันก็เหมือนกันค่ะท่านอาจารย์แลยิ่งตอนนี้แม่เขาไม่ได้อยู่แล้วก็ที่ไหนก็เหมือนกันค่ะท่านอาจารย์แม่ก็เสียไปแล้วหรอฮะแม่เขาเสียไปแล้ว ยังค่ะแม่เดวิดยังค่ะท่านอาจารย์81แล้วไม่อยู่บ้านเขาไม่อยู่ที่ไหนหนูหมายถึงแม่หนูเองตัวแม่หนูเองที่อยู่ที่เมืองไทยแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นอยู่ที่ไหนมันก็มีค่าเท่ากันสําหรับหนูอค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็แต่แม่ของเดวิดเขาก็ไม่ได้ร่ําร้องอะไรคือเขาก็เข้าใจดีค่ะท่านอาจารย์เขาบอกก็ตามใดถ้าเกิดมีความสุขแล้วก็เออ่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้วก็ มันก็โอเคค่ะท่านอาจารย์ค่ะ <Okay. S 2> ก็แล้วก็เดวิดก็ฝากเหมือนเดิมค่ะเช่นเดิมค่ะท่านอาจารย์บอนสองเต้ค่ะท่านอาจารย์โอเคสาวตู้ขอบคุณมากขอบคุณท่านอาจารย์อย่างจูงค่ะท่านอาจารย์อขอบี่คุณจ้า ก, กับพี่สาวยังไม่ได้กลับอเมริกานะระวัติการข่าวหาอาจารย์ยังค่ะพุดหน้าบินค่ะพุทนาค่ะวันนี้เขาอยากจะกล<า>ับไหม ก็ยังไงก็ได้ค่ะหนูค่อนข้างสบายสบายที่ไหนก็ได้ อ, อยู่ที่นี่มีอยู่กับพี่เช้ามีเพื่อนหลายถ้าอยู่ที่นั่นอยู่คนเดียวเใช่ใช่ค่ะก็สนุกคนละแบบแบบอยู่ที่นี่สบายที่สาวเลี้ยง <c oughs> <c oughs> อยู่ที่นู่นต้องเลี้ยงตัวเอ ง, ต, องต้องทำขอเข้าเองต้องทําอะไรเองมาใช่ค่ะอยู่ที่นี่นั่งก็เอาข้าวกลับมาให้กินคิด <c oughs> คิดให้ด้วยว่าจะกินอะไรดี อยู่็กินทุกอย่างสบายวันนี้หนูไม่ได้มีคําถามอะไรค่ะเขามาลาเสร็ฉยๆอภุดน้าคงจะไม่ได้เข้าสูมเพราะว่าบินวันพุธพอดีค่ะโอเคก็ไปดีมาดีก็แล้วกันนะแล้วคาดสอดภัยต่ทุณพี่สารมีอะไรไหมเป็นหมอมีอะไรอะไรราชการพระอาจารย์ค่ะก็ยังไม่มีคําถามอะไรเท่าไหร่ค่ะพระอาจารย์ก็มาฟังธรรมะอย่างเดียวค่ะพยายาม ทำโจทย์ล่าสังโยชน์ร่างกายให้ได้ก็แล้วกันเป็นหมอมันน่าจะรู้จักร่างกายดีกว่าคนอื่นนะค่ะอาจารย์ค่ะเคยพาสมมาเล่าเคยมาแล้วต้องเห็นอะไรที่คนทั่วไปไม่เห็นค่ะก็พยายามระลึกแล้วก็คิดถึงตัวเองอยู่เหมือนกันคะ่ะทุกๆวันที่เจอคนไข้ค่ะอาจารย์เวลาเห็นสมเนี่ยต้องถามว่าเจ้าของศพมันเป็นไหนมาคช่ไหม เมื่อการนตอนที่มีลมหายใจก็คุมมันอย่างดีรักษา ม, มันอย่างดีพอไม่มีหายใจแล้วเจ้าคนที่เคยคุมอยู่ก็หายไปเลยค่ะพร ะ, ะจิตเวลาร่างร่างกายตายไปจิตก็ไม่อยู่กับร่างกายนะทอนออกไปและ้อออและถอยออกไปไม่รับรู้เรื่องของร่างกายร่างกายเมื่อไม่มีจิตคอยสั่งการมันก็ทำอะไรไม่ได้นอนที่เฉย E อ่ะไม่มีตัวตนไม่ได้เป็นของใครเป็นของดินน้ำลมไฟนะพิจารณาบ่อยๆนาจะรักสัโยชนได้นะกัญญาทิฐิได้ค่ะค่ะพะอาจารย์โอเคนะตอนนี้นะค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์อ่าไปด้วยหมอพัฒนาเชิญ การทำมาสการค่ะพระอาจารย์ค่ะก็กลับมาเรียบเราไว้ค่ะพระอาจารย์ได้ทําบุญทั้งพระอริยะภา ย, ยนอกภายในพระอาจารย์ค่ะอก็ไปเจอเกวียนด้วยนะคะพระอาจารย์เกวียนนะคะ <S <S เขาอยู่ในสารานายชาย<ๆ>เขามาแล้วก็มีหลานมาบวชสองคนนะคะคุณค้ญญาเมดนานมาบวชอยู่ที่สราระน้อยแต่ว่าตอนเพื่อนบอกว่าพระอาจารย์นิพนอยู่สาราน้อยก็เลยพาคุณพ่อไปสาระน้อยแต่ว่าไม่ยังไม่เจอเพราะว่าท่านทํากระถินที่ภูเรือไงคะก็เลยใส่บาตร เวลาขับตามมาแล้วก็มาตามมาที่วัดภูเลยก็เลยก็ได้เจอพระอาจารย์นิพนนะคะท่านก็ดีดีขึ้นเป็นลำดับนะคะพระอาจารย์อย่างเรื่องเข็นค่ะแล้วก็ท่านก็บอกท่านมองหน้าท่นก็พูดประโยคหนึ่งคือเท่ได้ฟังว่าเนี่ยเวลาคือโอกาสอะพระอาจารย์คือมันก็คืเคยในใจเลยเพราอืมก็เห็นมันก็ยิ่งเห็นจริงๆด้วยพระอาจารย์เพราะยิ่งเห็นพระอาจารย์ด้วยอค่ะท่านก็ยังเมตตาเท่ให้ฟังด้วยค่ะอื อก็รูสึกกลับมาก็ดีค่ะก็กมาตั้งใจปฏิบัติต่อเดี๋ยววันวันศุกร์ก็ไปหาพระอาจารย์เหมือนเดิมค่ะก็คุณพ่อก็คุณพ่อก็แบบอ่าพาไปพาคุณพ่อไปไปเที่ยวด้วยนะะคุณพระอาจารย์ไปพูลเรืออะไรเงี้ยถึงอว่าเขาไปเดินในป่าก็รู้สึกว่าดีมากเลยนะพระอานีไม่กลัวเลยชอบป่ามากเลยเดินจงกรมได้สบายมากไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์เดี๋ยววันวันศุกร์ไปก็ให้ปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นไปเรื่อยๆนะะ ค่ะพระอาจารย์ตั้งใจเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆดูหงาอากาศจริงๆอยากไปทางเหนือนะะอยากไปวัดที่หลวงปู่มั่นบรรลุธทรมกำลังดูดูอยู่อยากไปมันรู้สึกว่าสมัยก่อนเคยเคยเคยอยากไปพูอะไรนีดาวอยดาวอะไรดาวอะไรใช่ชไหมที่เชียงใหม่ะ <S <S ตอนนั้นไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเอ้ยสงใสยน่าจะเคยอยู่แถวเนอะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยพระอาจารย์พอมีความรู้สึกว่าอยากไปมากๆเลยพระอาจารย์เดี๋ยวลองดูพระอาจารย์คือไปไปหาวันแล้วก็ปฏิบสามด้วยอ่าจ้าจู คุณมารีเชญมาลีมุตตากันขอบหลวงพ่อค่ะนี่ไงวันนี้ทำงานหรือเปล่าทำค่ะหลวงพ่อเลิกงานกี่โมงอะเลิกจริงๆริเวททาตามเวลาออฟิกก็ห้าโมงค่ะหลวงพ่อแต่ว่าเมื่อคืนกลับมาประมาณสองทุ่ค่ะหลวงพ่อเสดงานค่ะก็ทำให้เสร็จตามหน้าที่แล้วก็กลับมา ก็ปฏิบัติทุกวันค่ะหลวงพ่ออันนี้ช่วงที่ยังไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไดมาถึงวันพุธเนี่ยค่ะหลวงพ่อหนูก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นแบบนี้ไหมภาวะทางทางทางอารมณ์ทางจิตใจอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูก็ไปฟังฟังเทปไปฟังธรรมะที่หลวงพ่อพูดเมื่อตอนสิบเอ็ดธันวาปีหกหกอะค่ะหลวงพอ่อเอ่อพูด พูดถึงกล่าวถึงบัวบัวสีออกสีสีกาสีเหล่าอะค่ะหลงก็แล้วก็มีมีบัวอันแรกก็คือบัวเหนือน้ํายังคือมีมีศีลมีสมาธิแล้วแต่ยังขาดปัญญาพอฟังเทศฟังธรรมหรือว่าได้เห็นแสงสว่างอะไรเงี้ยก็หมายถึงว่าทางด้านปัญญานะคะก็สามารถบรรลุได้แล้วก็อย่างบัวอันที่สองก็คือว่าบัวบัวเสมือนน้า มีเียแต่ยังขาดสมาธิแล้วก็ปัญญาและทีเนี้ยหลวงพ่อกล่าวถึงว่าเออตรงเนี้ยก็มามาเสริมด้วยมาฝึกปัญญาฝึกสมาธิแล้วก็ทางด้านปัญญาแล้วแล้วเมื่อสมาธิที่มันเกิดจากการจากปัญญาตัวเนี้ยมันมันถาวรกว่ามันดีกว่าที่ที่เราไปนั่งสมาธิอย่างเนี้ยค่ะหลวงพอ่อถึงแม้ไม่ได้เข้าสมาธิมันก็จิตมันก็จะสงบ หนูก็เลยได้คําตอบตรงเนี้ค่ะหลวงพ่อแ ม, แม่แม้เราไม่ได้นั่งสมาธิเป็นชั่วโมงเป็นสองสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ว่าความที่จิตมันสงบมันนิ่งอ่ะมันมันแทบจะเรียกว่าเกือบจะตลอดเวลาที่ความสงบของจิตตรงนี้ค่ะหลวงพ่อหนูก็เลยได้ได้คําตอบแล้วทีเนี้ยความ ความสงบตรงเนี้ยค่ะมันมันเหมือนมันกระจายฐานที่มันมันแข็งแรงมันกว้างขึ้นนะคะหลวงพ่อแล้วมันก็พอมันสงบไปตรงเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายมันไม่ได้เกี่ยวกับท่านั่งหรือว่าอะไรใดๆทางนั้นเวลาที่จิตข้างในเขาสงบนะคะหลวงพ่อไม่เกี่ยวกับเสียงที่อยู่ด้านนอกหรือว่าใครจะพูดอะไรหรืออะไรคือมันเหมือนจิตมันเข้าไปอยู่ในสมาธิแล้วแล้วหนูมีความพึงพอใจ มีความประทับใจกับไอ้ความสงบตรงเนี้ค่ะหลวงพ่อมันมันเหมือนแบบมันหนูหนูจะใช้คําพูดไม่ไม่ถูกค่ะหลวงพ่อเหมือนมันมันขยายไปเรื่อยๆแล้วมันทําให้เหมือนเราเห็นเห็นว่าเราใช้สติเราใช้ปัญญาเราไปไปดักไอ้ตัวความอยากหรือว่าตัณหาตรงเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันเหมือนมัน มันช้าลงมันเบามันจางลงอย่างเงี้ยสหลวห น, หนเห็นเห็นแบบเนี้ยค่ะหลวหนูก็เลยรู้สึกว่ามันได้คำตอบแล้วว่ามันควรจะเดินยังไงแล้วก็วันนี้คุณหมอวิเชตบอกถึงเรื่องเข้ากระแสหนูก็เลยพอที่จะมองเห็นทางได้บ้างค่ะหลเงพ่อว่าต้องปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันมันก็จะเห็นว่าเราใช้ปัญญาในการที่เราจะดัก หรือว่าลดละไอตัวตัวกิเลส ต, ตัว ต, ตั ว, ต, วตัวความอยากอะไรตรงเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็เลยรู้สึกว่ามันมันใช่แล้วยิ่งหนูฟังฟังเทศฟังธรรมะมันยิ่งสงบลึกลึกลึ ก, ล, ก, ล, ก, ล, ก, ล, กลึกเข้าไปตั้งแต่หนูนั่งฟังหลวงพ่อเทศอ่ะมันโอ้โหหนูมันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากเลยห่อความสงบตรงเนี้ยหนูก็เลยกลับเรียนหลวงพ่อทราบถึงความที่ หนูปฏิบัติมาถึงมาตอนเนี้ออค่ะหลวงพ่อก็ดีพยายามทำไปเรื่อยให้มันสงบไปตลอดเวลาทั้งขณะเข้าสมาธิทั้งขณะออกมาจากสมาธิค่ะหลวงพ่ อ, พอตอนแรกหนูหนูมีความเข้าใจเอ๊ะมันมันมันทําไมมันเกิดอาการแบบนี้ทําไมมันถึงจะสงบอยู่ตลอดเวลาทําไมจะเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาแต่พอหนูมาฟังที่หลวงพ่อเทศ แล้วหนูก็เข้าใจแล้วว่่หลวงพ่อแล้วสุดท้ายหลวงพ่อสรุปว่าอย่าอย่าประมาทกับเวลาที่เสียไปให้เร่งให้ให้พยายามทำอย่างเงี้ยตอนหนูก็เลยได้ได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้นแล้วค่ะหลวงพ่ออื ม, มดีแล้รู้แล้วก็เดินต่อไปไม่หลงทางนะค่ะหลวงพ่อหนูหนูขอขอบคุณหลวงพ่ออีกครั้งนะคะที่ให้โอกาสหนูค่ะ ขอบว่าคุณมากามาค่ะหลวงพ่อได้หรอกหนูให้โอกาสตัวงหนูเองเพราะเราก็ให้โอกาสทุกคนเนี่ยอยู่ที่แต่ละคนจะช่วยว่าอกาศนั่นหรออือว่แต่ถ้าไม่มีหลวงพ่อคอยแนะคอยไขข้อข้องใจก็ยังเดินสายทีขวาทียังเดินไม่เข้าทางหรือว่าไม่ตรงทางอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อค่ะไมดีจะรู้จักทางแล้วก็รักพยายามเดินอยู่ในทางนั้นไปเนี่ยมันก็ถึงจุดหมายปลายทางเอง อย่าไปทะเลทรายอย่าไป้วะไปที่นู่นที่นี่ค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อข้าพูดเกี่ยวเรื่องนี้นึงเรือนปฏิบัติของหนูหลังใหม่อ่ะค่ะหลวงพ่อก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วค่ะหลวงพ่ออืมเดี๋ยวได้มีที่ปฏิบัติอย่าให้คนอื่นไปอยู่ด้วยล่ะอยู่คนเดียวนะไม่ค่ะหนูหนูไม่ไม่ให้ใครเข้ามาบุ้นไม้ถ้าไปอยู่หลายคนก็มันก็ไม่มันก็ไม่ใช่เรือนปฏิบัตินะเรือนสังคมอะ ค่ะหนูห้ามค่ะหลวงพ่อห้ามมากินห้ามมาอยู่ห้ามมาใช้ห้ามทุกอย่างค่ะไม่ให้ไม่ให้ใครมายุ่งค่ะหลวงพ่อเนี่ยเป็ี๊ะไม่เวไงภาวนาภาวนาจริงๆต้องคนอยู่คนเดียวใช่ค่ะโอเคขอบพระคุณค่ะสาธุสาธุขอบพระคุณค่ะขอบคุณซันนี่แบงค์ก็ กล่าวนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้มาร่วมฟังธรรมค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะโอเคคุณนิสาเอเอมีอะไรไหมกล่าวนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ก็มาร่วมรับฟังค่ะพระอาจารย์ยังงตื่นเต้นกับประิานิย์ที่บุรีคนใหม่ไหมไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้น ก็เหมือนเดิมค <go in> <way> ่ะพระอาจารย์เหมือนดิมมันต้องเสียภาษีเหมือนเดิมต้องจ่ายค่าเช่าอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก็ยังเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ก็ยังรู้ก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ไม่นี่ทําไมคนก็ถึงไปเป็นว่าเป็นบอกกับคนเริ่มสร้างกันเลยก่อบางคนก็ดีใจบางคนก็เสียใจก็เป็นธรรมดาค่ะพระอาจารย์บางคนก็แล้วแต่ว่าจริงจังแค่ไหนค่ะพระอาจารย์บางคนจริงจังมากก็แบบ ดีใจแบบแต่ค่ะบางคนสุดๆบางคนเสียใจมากก็แบบว่าโอ้โหแบบวฟาดางงฟาดง่ายเป็นธรรมดาค่ะพะอาจารย์นี่่าไม่มมีคนถึงแบบอยากจะย้า ย, ายออกจากประเทศเปไปเลยก็มีใช่ค่ะพระอาจารย์ก็แถวนี้น่าจะเศร้าเยอะค่ะพอาจารย์เพราะว่าแถวแต่อันนี้มันเป็นสีน้าเงินค่ะ ก็อันนี้นะครับเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้จังไม่แน่นอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวอีกไฟไฟก็กลับมาพอไายนั้นหมดแรงไฟล์ใหม่ก็ไฟล์ที่นี้ก็มีแรงกลับขึ้นมาใหม่ค่ะไฟล์กันลกผัดกันรอบนี้ใช่ค่ะก็มันน่าจะเป็นแบบอยากดักได้อะไรใหม่ๆออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ใช่เบื่อของเก่าคนเบื่อเบื่อของเก่าใช่ค่ะอาจารย์ มันมีคนมาสัญญงสัญญาว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้ก็เลยเมีความหวังขึ้นมาใช่ค่ะเพรว่ามันคงทุกคนแบบรอคอยความหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ, อาจารย์ก็อีกสี่ปีเดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็อย่าไปแล้วก็อย่าไปตื<อ>่นเต้นอะไรกับเขาแล้วกันไม่ไม่เคยตื่นเต้นค่ะอาจารย์ก็ดูแบบผลก็ ก็ดีค่ะมันก็ดูซิว่ามันจะแต่จริงๆแล้วระดับเราเราก็รู้สึกว่ามันก็ยังอยู่เฉยๆนะคะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงสําหรับเราอเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ดีแล้วอย่างลูกก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะจะทําหรือกัมเวลาลูกก็ยังยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ใจว่าสีเหมือนเดิมใจเข้าใจเหมือนเดิมเยอะเหมือนเดิม ทุกอย่างแพงเหมือนเดิมเห็นบอกว่าแบบจะเศรษฐกิจจะดีขึ้นของจะถูกลงอะไรอย่างนี้ไมหน้าไม่มีถูกก็เป็นแต่แพงกันทุกวันใช่ค่ะพระอาจารย์ก็ต้องดูต่อไปค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ธาตุแข็งแรงค่ะขึ้นแปลว่าอะไรศิริราชมีคําถามเจ้าค่ะไม่สบายเจ้าค่ะก็ยังไม่ได้กินยาพาราลอง นั่งไปเมื่อตอนที่เข้ามาใหม่ๆก็ร้อนวุ่นว่าเพอนั่งฟังอาจารย์อ่สนทนาธรรมกับเพื่อนก็มันดีขึ้นนะครก็ใช้ธรรมมารักษาเเจ้าค่ะรักษาใจนงร่างกายเป็นแค่ไปอีกเรื่องนะคนละเรื่องกังเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะทำใจให้เราไม่ทุกข์ทำให้ใจใเราสบายแล้วการเจ็บข้าใหญ่เบาของร่างกายก็ไม่ไม่ไม่ใหญ่โตเลย ที่มันใหญ่ัวเพราะใจเราไม่อยากให้ม we uh. ันหายนันเลยทำให้ใจทุกข์เพิ่มขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเลยอหนูเมื่อว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาที่หนูไปไปอุทยานนะคะหนูไปนั่งสมาธิที่แบบที่ล้างๆที่ไม่ค่อยมีคนเดินหนูนั่งได้หนูก็เลยมานั่งนั่งพิจารณาที่พระอาจารย์แนะนำว่าคนเข้าป่าอะไรเงี้ยคเพราะมันก็จะแบาทำได้นานมากกว่า ปกติที่หนูไปหนูก็จะบไปแวะประมาณสองสัมที่แล้วก็ไปถวายสังฆาภังาาด้วยที่นี้คุยกับแฟนเพราะว่าแฟนเ็าเป็นคริสแล้วเขานั่งได้แล้วก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวจะถ้าถ้าเดือนหน้ารา ง, งานได้ก็จะเข้าไปนั่งสมาธิในป่าจ้าค่ะอ่าเดีบรรยากาศมันต่างกันนะคขอบคุณจ้ะค่ะจ้ดูคุณโอ้พีเคโอใจเยนไหม ก ร, รับรรน้ำระสกทาพระอาจารย์เจ้าค่ะเออเป็นยังไงบ้างสวัสดีเจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์สบายดยีนะเจ้าค่ะเออสบายดยีจ้าข้งหนูก็ยังมีฝึกเข้าถ้ำอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ยังฝึกนั่งนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอืแต่ว่าช่วงเดี๋ยวนี้การปฏิบัติช่วงเช้าอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่อะไรเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็จะมาเน้นช่วงวันที่หยุดเข้าถ้ำอะไรเงี้ยเจ้าค่ะอยั ง, ย, งยังไม่ค่อยนิ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ยังมีแบบลุก ไปเข้าห้องน้ําบ <TH verw 000> ่อยอะไรนี <rawd Moder> ้เจ้าค่ะพอดีว่าดื่มน้ํามันมันต้องหาทางออกเลยเท่าน้ำเช่าเท่าเดียวที่มันไปได้พระอาจารย์คือมันดื่มน้าอะไรจ้าค่ะพอดื่มน้าเข้าไปก็แบบร่างกายกินน้ำต้องหน่อยอะไรเจ้าค่ะอาจารย์เพราะว่าหนูงดทานข้าวใช่ไหมเจ้าค่ะก็เลยต้องต้องกินน้ําเยอะหน่อยอะไรเจ้าค่ะการเดินเข้าห้องน้ําหลายรอบอยู่เจ้าค่ะวันนี้ ก็เลยได้ลุกไปอะไรองี้เจ้าค่ะไม่ไม่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่จ้าค่ะพรอาจารย์แต่ก็พยายามฝึกอยู่จ้าค่ะพยายามเพิ่มให้ได้อาทีละสองวันจ้าค่ะอาจารย์จ้าค่ะอถามนิดนึงก็ได้จ้าค่ะก็คือว่าอย่างแองหนูเนี่ยปกติวันอย่างวันพุธเนี่ยจะมาเป็นวันเข้าถ้ำของหนูหนูก็จะงดทานข้าวใช่ไหมเจ้าค่ะที่นี่หนูเสริมวันเสาร์เข้ามาด้วยก็คือวันเสาร์ที่เสริมเข้ามาเนี่ยหนูปฏิบัติได้ประมาณสักสี่ห้าอาทิตย์แล้วจ้าค่ะที่ ฝึก เ, เข้าทํานั่งนิ่งมกันหนูก็งดทานอาหารด้วยเนี่ยเจ้าคะ่ะหนูควรจะงดทานวันที่เข้าถ้าแบบนี้หรือว่าควรจะงดทานแค่วันพุธวันเดียวอย่างนี้เจ้า ค, ะคะ่ะอาจารย์ดูที่ผลนะเนี่ยผลดียังไงก็เอาเอ า, เอาอย่างนั้นนะงดกินได้มันดีก็กงดไปถ้าไม่งดะะถ้าดีถ้ามันถ้ามันไม่งดแล้วมันดีก็เาต้องเปรียบเทียบด้วยเอาไว้แล้วกันนะคะ ตะกเลตเนึงความอยากกินก็ยังแรงอยู่เจ้าค่ะพาจารย์มืที่พายจานบอกก็เจ้าค่ะเมื่อวานหนูอยากอยากทานไอติมมากเจ้าค่ะพาจานแต่แต่ตั้งใจไว้ว่าตั้งแต่วันที่สองเป็นต้นมาก็คือภายในเดือนนี้หนูก็จะงดของหวานอย่างนี้เจ้าค่ะเมื่อวานจินตนาการว่าจะกินไอติมจนแฟนพาไปจอดเซเว่นเดินเข้าไปในเซเว่นจะไปซื้อไอติมเจ้าค่ะพายจานนี่ขึ้นมาได้เบรกแบบเอียดแล้วก็ได้เข้ามาแทนแต่ว่าได้เป็นแบบว่าให้ทานสองมือก่อนเที่ยงอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะกําลยง พยายามพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารบ่อยๆเข้าไปในร่างกายแล้วมันออกมามันก็ไม่น่ากินแล้วแหะค่ะค่ะก็ช่วงนี้พยายามคุกเลยเจ้าค่ะอาจารย์ก็คือเอาให้แต่กินโกโก้ก็ผสมคลุกลงในข้าวเลยเะไรย่งเจ้าค่ะก็ทั้งโกโก้ทั้งข้าวทั้งกับข้าวเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ยังอร่อยอยู่นะเจ้าค่ะยังรู้ตัวยังอร่อยอยู่เจ้าค่ะะอาจารย์แต่ว่า ตรงที่มันหายไปไหนก็คือรถที่ <esc arp. S 1> เราเราติดมากๆในเจ้าค่ะอาจารย์มันก็จะไม่ไม่ไมีสรสของอาหารตรงที่เราชอบในส่วนนั้นนะเจ้าค่ะที่มันจะหายไปอย่างนี้เจ้าค่ะเวลาคลุกหนูคลุกแบบเป็นเป็นแกงเจือดไปเลยเจ้าค่ะพรอาจารย์น้ำโกโก้ใส่ข้าวข้าวเหนียวหมูอย่างนี้เจ้าค่ะพอาจารย์แล้วก็ใส่โกโก้เข้าไปใส่ไข่ต้มเข้าไปคลุกหมดเลยเจ้าค่ะใส่แบบมีกินหนูแดงอย่นเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ไม่มีคําถามเลยเจ้าค่ะพอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมเจ้าค่ะ ก็เวลา อ, อยากกินอะไรที่มันไม่ใช่เวลาที่จะ ก, กินแล้วไม่ควอยา ก, กินงะใน้นึกถึงเวลามันออกมาจากทารบ้างนะคะพยายามเบรกจะค่ะอาจ า, ารย์ีเมื่อวานนี้ยจะค่ะเหมือนกิเลสมันแดงมากเราก็ตั้งใจว่ามื้อเดียวแต่พอมันมันอยากมากเนี่ยมันก็ไปสองมือ้อแต่ว่ายังไม่ได้เที่ยงนะจะค่ะอาจารย์เอาหนูก็คือบอกว่างดทานหลังเที่ยงไปเลยนี่ใช่ไหนอกจากว่ามันมันมีนั่นานะทีที่จะแบบว่า เผื่อไปหลังเที่ยงแต่ไม่ค่อยมีเจ้าค่ะอาจารย์นานๆจะมีที <ừ> um. ก็จะเน้นแบบหนึ่งมื้ อ, อไรอนี้จ้าค่ะแต่เมื่อวาน <ừ> um. มันมันแรงมากเมื่อวานไอติมเป็นเหตุเจ้าค่ะอาจารย์ <ừ> um. แต่ได้ได้ข้าวมาแทนะ <ừ> um. แล้วก็ไม่ซื้ออย่างอื่นมาอีกจ้าค่ะอาจารย์เหมือนพอไม่ได้กินไอติมเราไปหาข้าวหาอย่างอื่นที่ไม่ใช่ของหวานมากินแทนอะไอย่างนี้จ้าค่ะ <ừ> um. แต่ก็ก็ไม่เลยเที่ยงกัค่ะแต่มันมันเบรกมันทั้งที่กินเลยมันฉลาดเหมือนเา ไอติมมันรอดไอติมเจ๊กไม่ไม่ต้องการไอติมต้องการข้าวมากกว่าพระจันทร์ทางเข้าอิ่มมากเจ้าค่ะคือมันมันเหมือนมันหิวมากอะไรเงี้ยแล้วรู้ว่าวันเนี้ยจะเข้าถ้าแล้วเราต้องไม่ได้ทานใช่ไหมเจ้าคะพระจานท์มันก็เลยแบบว่าเอาเสนหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้เราไม่ได้ทานอะไรเงี้ยพรุนี้จะได้ไม่หิวมากอะไรเงี้ยเจ้าค่ะมันก็เลยตะเลิดเปิดเติมแต่พอเข้าเซเว่นไปปุ๊บจะไปซื้อไอติมไม่ได้เลยไม่ได้ไอติมคือแบบนึกแบบ เราตั้งจะจจะไว้แ <laughs> ล <laughs> <Okay. S 2> um, ้วอะไรจ้ะคะแล้วก็ได้เก่งพรอาจารย์เเราตั้งใจไว้แล้วอะไรย่างนีจะคะก็เลยได้ข้าวเจ้าค่ะแต่หนูก็จ้ค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วจ้ค่ะอาจารย์รักษาอาถุขัน์ได้ไหมเจ้าค่ะกลับมาว่าคุณเป็นอย่างสรงจังค่ะมีนายพรมีนายพรต่อบนการพอาจารย์เจ้าค่ะอาจารย์คะยมสงสัยนิดนึงเจ้าค่ะเอ่อ ถ้าเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเราเห็นความฝันตัวเองพระอาจารย์จากเมื่อก่อนเราไม่เคยฝันเลยอ่ะคะ่ะถ้าเดี๋ยวนี้เรากลับไม่เห็นความฝันตัวเงแสดงว่าสติเราอ่อนใช่ไหมเจ้าคะไม่หรอกมันก็เวลานอนดับมันไม่มันไม่มีสติแล้วแต่เมื่อก่อนไม่เมื่อก่อนไม่ฝันพระอาจารย์ก็เลยมาฟังว่าพระอาจารย์บอกว่าถ้าเหมือนกับพานาเราเราดบับลงไปหน่อยอะคะ่ะเราก็จะฝันดมก็เลยไม่รู้เอ้มันเกี่ยวกันหรือเปล่า่เจ้าคะ อ่าถ้าเราเราภาวนาเยอะความฝันก็จะน้อยใช่เพราะมีสติตามคุมไว้ตอนก่อนก่อนจะนอนเนี่ยอืมเจ้าค่ะก็คือการทํางานของจิตมันจะน้อยลงเวลาที่เราฝึกนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ฝึกนั่งสมาธิการทํางานของจิตมันก็จะมากแล้วมันก็จะไปผลตอนที่เราฝันอืมเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าแต่ ช่วงหลังโยมเวลาโ ย, ยมจะก่อนจะนอนทุกครั้งโยมจะ พ, พยายามดูลมหายใจแล้วก็หลับไปพร้อมกับการดูลมหายใจ โยมยังเคยรู้สึกเลยค่ะพระอาจารย์คือโยมหลับฝันใช่ไหมคะโยมก็มีความรู้สึกว่าเราหายใจตรงปลายจมูกอะค่ะอ๋อทําไมมันเย็นคือมันเย็นพระอาจารย์แล้วพอเราพอเราเราเราเราู้สึกถึงลมที่มันเข้าจมูกเย็นแล้วพอโยมตื่นลืมตาโยมก็มารับรู้ถึงลมที่เข้าจมูกแต่ว่าเราไปเอ๊ะทำไมลมเข้าจมูกตอนที่เราตื่นทำไมวันอุ่นเนาะแต่เมื่อกี้เราหลับอะเลยมีความรู้สึกว่ามันเข้าลมมันเย็นเหมือนเปิดแอร์เลยจ้ะค่ะพระอาจารย์นี่คือเราเราก็ฝันใช่ไหมนะคะมัน คือมันเราฝันใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เราจะ่ควรแตะมันจะฝันไม่ฝันยังไม่เป็นไรก็ให้เรารู้ตามความเป็นจริงก็แล้วกันอ๋อใช่เจ้าค่ะตอนหลับเรามันรู้สึกว่ามันเย็นคือคือเหมือนกับว่าตอนก่อนจะหลับจิตเรามาอยู่ที่ลมหายใจจนจนเราหลับอะค่ะอก็รู้มันไปตามความเป็นจริงก็แล้วกันอ่าเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็โยมมีธรรมะพระอาจารย์อยู่ข้อหนึ่งเจ้าค่ะที่เด้งเข้ามาว่าเราไม่ควรไปเพ่งโทษคนอื่นนะพระอาจารย์เหมือนกับว่าโยมอะ ปากอาจจะเป็นคนแบบคิดปุ๊บแล้วก็พูดเลยพระอาจารย์เหมือนกับโยมนั่งรถไปกับพี่สาวแล้วพี่สาวอ่ะคล้ายกับว่าเขาเป็นคนที่โมโ ห, หนิดนึงเจ้าค่ะแล้วก็เขาใจร้อนแล้วเขาจะขับรถไปจะหาที่จอดอะไรหมุนเขาก็เจียจี้จี้แล้วก็แบบใจร้อนนะคะแบบอุดหมิดจนเขาว น, วนวนออกทางออกจะต้องจะต้องเปลี่ยนบัตรอีกรอบนึงนะค่ะเดี๋ยมก็เลยไปบอกกับพี่สาวบอกว่าโอ้ยอุตส่าห์ปฏิบัติธรรมเพิ่งออกมานนเนี่ยแล้วจะปฏิบัติไปเพื่ออะไรแล้วแบบ แบบยมกระเป่าไม่ดียมบอกว่าการแบบอุตส่าห์าปฏิบัติมาตั้งเป็นหลายปีถึงแยกธาตุแยกขันตัวเองได้หมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่เรายังไม่สามารถลดรักกิเลสความที่เราขี้โมโหขี้หงุดหงิดขี้ทุกอย่างลงได้นี่ก็ถือว่าแบบว่าเนี้ยจะปฏิบัติไปเพื่ออะไรคือคือโยมรักพี่สาวโยมก็อยากจะเตือนเขาแต่ แต่โยมอาจจะเตือนเขาผิดไปโดยการแบบคําพูดของเราซึ่งแบบอาจจะไม่ถนอมน้ําใจเขาขเจ้าค่ะคือโยมเป็นคนพูดตรงแล้วเลยทําให้พี่เขาโกรธโยมเจ้าค่ะเขาก็เลยโกรธแล้วธรรมะพระอาจารย์เด้งขึ้นมาแล้วถึงอ้อนเราก็โ อ, โอเคคือเราไม่ควรจะไปว่าใครหรือว่าจะไปบอกกล่าวใครก็คือเขาเป็นของเข า, างั้นเราก็รู้ว่าเขาเป็นแบบนั้นเราไม่ควรจะไปบอกหรือว่าไปบอกกล่าวเขาแต่ว่าโยมบอกเขาบอกว่าโยมอะฟัง เคยเคยถามพระอาจารย์ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราอะ่ะผลการปฏิบัติของเราอะ่ะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงหรือว่าโอเคถูกทางแล้วพระอาจารย์เคยบอกว่าก็ดูจัด ก, กิเลสของตัวเราเองว่าใจเราเย็นไหมเราสงบไหมเราเออกิเลสเราลดลงไหมถ้าทุกอย่างเราลดลงเราดาวลงเราเป็นคนเย็นซึ่งไม่คยทุกข์อะไรนี่ถือว่าการปฏิบัติของเราคือได้ผลแต่ถ้าพี่สาวปฏิบัติถึงแบบแยกธาตุแยกขันแยกกายแยกจิตทุกอย่างรู้หมดแต่ว่ากิเลสในความโมโหที่หงุดหงิด คุณยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นว่าการปฏิบัติที่ผ่านมาคุณไม่ได้ผลเราก็พยายามจะบอกพี่เขาแบบนี้จต่เขากอดเราอพระอาจารย์เราจะทํำยังไงอะคะเขาไม่ได้ถามเราเท่าไหร่เ็นตอนทีบอกเขาใช่ถ้าเขาถามก็บอกไปถ้าก็ไม่ถามกเฉยๆไม่ใช่เรื่องของเราเลยใช่พระอาจารย์แล้วทำไมพระอาจารย์ขึ้นมาโยมบอกหวัวเราแย่จัง ทำไมเราแบบจริงๆอ่ะเราควรจะอยู่เขาเฉยๆแล้วก็เราก็ไม่ควรจะไปบอกแต่ด้วยความรักพี่อ่ะเราก็เลยแบบพูดตรงไปพระอาจารย์แย่จังเลยอ่ะแต่เนี้โ ย, โยโยมเลยจะไม่จะไม่กล่าวตําหนิใครแล้วพระอาจารย์จะไม่เตือนใครแต่เราก็ต้องควรเตือ น, นเขาไม่พระอาจารย์ใช่ไหมคะเดี๋ยวก็โดนเขาด่าก็มานีเห็นด้วยไหเขา <c oughs> ทำไมจริงวะจ๊ะเขาว่าดถอยร้องเราสัาหน่อยใช่โยมก็พยายามพยายามพูดส่ง ส่งไลน์ส่งโทรไปอะไเงี้ยเขาก็ตัดสายโยมชิงหมดเลยอะ่ะโยมก็พยายามจะคุยกับเขาต่ อ, อเขาก็เขายังโกรธโยมยังโกรธโยมอยู่จ้ะค่ะเรายังย<ม>หูหนวกตามหมอนอยู่เหมือนเดิมหูหนวกเขาเขาเป็นคนชวนโยมเข้ามาทางธรรมด้วยเขาก็ปฏิบัติสมาธิเขาเก่งมากเาเ่ของเขาเลยเขาจะเก่งไม่เก่งนั่นแหละของเขาไม่ใช่เดี่ยวของเราไม่หน่อยใช่เราเราย้ายเองเราไม่ควรแต่ญาตยมจําขึ้นใจเลยค่ะว่าเราจะไม่ตําหนิใครเราก็แค่รู้โอเคเราก็แค่รูร้ เพ อ, อย่างเงี้ยถ้าเราพูดไปมันก็มันก็ผลเสียกับตัวเองพระอาจารย์ธรรมะพระอาจารย์ตรงหมดทุกอย่างเลยเจ้าค่ะ <Okay. S 1> นำ้นำนําปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ <Yeah. S 1> กาก uh huh. สาธุค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ค่ะอีกข้อหนึ่งค่ะโยมเวลาโยมปฏิบัติอะโยมโยมจะไม่ค่อยก้าวหน้าพระอาจารย์โยมจะอยู่แค่เราพอเราสงบดูลมหายใจแล้วมันนิ่งแล้วลมหายแล้วความรู้สึกของโยมมันเหมือนจะแบบวูบจะเป็นถําโยมก็พยายามดึงกลับมาอยู่ที่ รู้รู้สึกกับตัวเราเองเราจะเราจะไม่ตามตามถ้ำออกไปอะคะ่ะพระอาจารย์จะกลับมาแล้วก็พอกลับมาปุ๊บลมมาอีกแล้วแล้วก็ลมหายอีกมันไม่ไปไหนมันมันไม่รวมเหมือนที่เราฟุบแล้วเสียงข้างนอกดับยมเคยรวมแล้วข้างนอกดับแล้วก็เหมือนกระเองอยู่ในถ้ำคนเดียวอยู่ครั้งเดียวอ่ะคะ่ะพระอาจารย์แต่ว่าเราจะตอนนี้ยมก็ไม่รู้ว่าโยมทําถูกไหมคือลมหายปุ๊บก็กลับมามันอยู่อย่างเงี้ยชักเขย่า อ, อยู่เงี้ยค่ะพระอาจารย์ ก็อย่ า, <ม> อ, ยาอย่าไปทิ้งลมหายลมหายก็อยู่กับการาอยู่อยู่ที่เดิมอยู่ตรงที่จุดที่เราดูลมยอมติดงี้ม่เป็นปีแล้วพระอาจารย์มันมันมันดูลมเราดูลมตรงไหนดูลมดูลมไปลาจมูกค่ ะ, ะ แ, ลแล้วก็ดูลั้นไปลมหายก็อยู่ที่จุดเดิมไปใช่ค่ะมันนิ่งนิ่งนานมากแล้วดูนิ่งไปเส็จมันก็กลับไปอีกมันจะนิ่งไม่นิ่งมันจะกลับไม่กลับมันเรื่องของมันแต่เราอยู่ที่จุดนั้นจุดเดียวให้รู้อยู่ที่จุดนั้นจุดเดียว ใ้่ค่ะพราะฉะนั้นแล้วบางทีมันก็จะมีภาพที่แบบฟุบเข้ามาเป็นเหมือนวงกลมเหมือนการเขาไปในภาพอ่าไปสนใจอย่าไปสนใจใหอยู่กับจุดเดิมอยู่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าโยมตามไปปุ๊บเนี่ยนิมิตโยมเกิดทันทีพระอาจารย์แบบอืก็ไม่สรงบอกทันทีโอ้มันเหมือนเหมือนเรื่องจริงพระอาจารย์มันจะแบบโอ้โหแบบทุกอย่างเข้ามาปังปังปังหมดแล้วเสียงพระอาจารย์ะยังอยู่ในนิมิตพระโยมเลยนะค่ะตอนที่โยมใหม่ๆห่ะค่ะ ยมหลุดอยู่ในสมาธิคนเดียวแล้วโยอมยมกลัวพระอาจารย์คือแบบคือมันน่ากลัวมากก็คือตอนที่โยมทําสมาธิครั้งแรกแล้วยมหลุดไปในนิมิตยมไปเล่นกับนิมิตรดำดำขาวขาวะค่ะแล้วก็ฟุ๊บไปเนี่ยเอ่อมันก็จะมีอยู่ในถ้าแล้วยมตกใจเพราะว่าก่อนที่โยมจะเข้าไปเนี่ยยมเหมือนกับ คนขาดอากาศหายใจพระอาจารย์เหมือนเหมือนคนกําลังจะตายแล้วแบบโยมก็ตกใจว่าคุยเรากําลังเราขาดอากาศหายใจทําไงดีเนี่ยอะไรพระอาจารย์แล้วสุดสุดท้ายอ่ะโยมก็เห็นลําแสงพุ่งมาที่มือปั้งปั้งแต่แล้วโยมก็ตัวแข็งเป็นขีนเลยพระอาจารย์พอโยมตัวแข็งเป็นหีนปุ๊บข้างนอกที่เสียงแอร์เสียงคนเดินนะคะมันดับฟุบประดับฟุบมาตอนนี้โยมเลิดในสมาธิพระอาจารย์โยมวิ่งตะเลดิดแบบตกใจกลัวสุดขีดกลัวมากๆกลัวว่าวิเราติดในสมาธิเราจะจออกไปยังไง ทำยังไงเนี่ยเสียงพระอาจารย์เสียงหลวงพ่อสือศักดิท่านมาองค์แล้วท่านบอกว่าให้หยุดวิ่งแล้วให้กลับมาดูลมแล้วเสียงพระอาจารย์ก็บอกว่าให้บริกรรมพุทโธโยมอู้พระอาจารย์พระอาจารย์มาแล้วพระอาจารย์มาแล้วโยมก็เลยมีสติหยุดวิ่งอยู่ในในในนี้นะคะโยมก็หยุดแล้วโยมก็มีสติตอนที่โยมโอมือมือขยับได้แล้วเสียงข้างนอกมาแล้วโยมก็ตื่นจากนิมตโยม ตัแต่นั้นมาโยมไม่กล้าตามนิมิตรไปอีกพระเจ้าค่ะแล้ว ก, แวก็แล้วพอพอโยมโยมได้ได้ฟังธรรมพระอาจารย์มาเรื่อยๆมันเลยทําให้โยมรู้ว่าเราห้ามตามออกไปเราควรอยู่กับลมหายใจโยมก็ปฏิบัติมา ก, กับพระอาจารย์ที่อยู่กับพระอาจารย์ปฏิบัตินี้มาตลอดแต่ว่าสุดท้ายก็อยู่แค่ลมหายลมหา ย, มหายไม่มีลมไปมันหายไปสิไปมันหายไปก็รู้เฉยๆว่ามันหายไม่ได้ไปทําอะไรก็ท ำ, ทำมันมันก็กลับมามอีกพระอาจารย์อ่าหยถ้ามันกลับมามันก็ไม่หายสิ มันก็อยู่อย่างเงี้ยก็ดูไปเรื่อยๆเลยเขต้องดูไปเรื่อยๆเลยจนกว่ามันจะรวมอีกทีนึ่งอ่ใช่แล้วมันจะหายไปบ้างหายไปบ้างกลับมาบ้างก็ให้รู้ว่ามันมันก็ไม่เที่ยงดูไปเฉยๆได้ไหมไม่ให้ไปทําอะไรอื่นได้ค่ะพระอาจารย์โยมจะน้อมนําปฏิบัติแล้วก็จะแ้มอีกรอบหนึ่งช่วงหลังโยมอ่อนไปนิดนึงเจ้าค่ะออืแบบนมัสการพระอาจารย์พระอาจารย์รักขานทักขันนะคะอืค่ะ ลาสเซนเบิร์กคุณปุ้ยตามนามสการก่าพระอาจารย์ปุ้ยเจ็ดจุดห้าเหมือนเดิมพระอาจารย์นะกลงวันนะเจดจุดห้ากลางคืนนะหลังหกโมงอะโยมศ uh huh. ินโยมปฏิบัติดีมากที่ uh huh. ผ่านมาเป็นวันนี้ค่ะเพราะว่ายมถวายหลวงปู่มั่นค่ะเพราะวันที่สิบเอ็ดวันละสังขารหลวงปู่มั่น โยมก็ปฏิบัติเยอะหน่อยแต่วันนี้โยมโยมอะ่ะสวดมนต์ไม่ทันอะ่ะตอนเช้าว่าพระอาจารย์แล้วเดี๋ยวเนี้ยโยมมีสามวันและที่โยมแบบตอนเช้ารู้สึกมันแบบนั่งสมาธิดีแต่ว่าสวดมนต์มันแบบว่ามันใจมันไม่อยากจะสวดอะ่ะไม่รู้โยมเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแล้วเมื่อกี้เียดให้เมื่อกี้เกลียดให้เป็นอะไร แต่แต่แต่ตอนเย็นโยมก็สวดและแต่ว่าจิตมันก็นิ่งนั่งมันก็จิตมันจิตใจมันสบายค่ะเพราะที่ผ่านมาสามวันโยมใช้เวลาสามวันในเวลาในการนั่งโยมก็รู้สึกมันนิ่งนิ่งมันสบายและตัวมันเย็นเจี๊ยบเหมือนน้ำแข็งเลยก็ทำไปมันเป็นยังไงก็รู้ไปปฏิบัติมันก็มีขึ้นขึ้นลงลง ถูกบ้างผิดบ้าง<ฆ>ก็ทําไปเรื่อยๆประสบการณ์มันก็จะสอนเราเองมากทำอย่างไรถูกทำอย่างไรไม่ถู ก, กรู้จักสังเกตสังการดูบ้างไม่ใช่ปฏิบัตแบบิแบบแบบหลับหู้หลับตาไปไม่ใช่ปฏิ บ, บ, บัติไปก็ลองสังเกตด้วยทําไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมมันเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ใช่ไปสังเกตตามปฏิบัตินั้นตอนที่เราออกจากการปฏิบนะัต<ฆ>ิแล้วก็มาวิเคราะห์ดูเว้ยทอนวันนี้มันไม่สงบมันเป็นเพราะอะไร ใช่ใชโยมก็สังเกต ด, ดูว่าเอ๊ะเมื่อก่อนนี้เรารู้สึกแบบเออแต่อตย่าไปสังเกตอตอนที่เรานั่งตอนที่เราทํามสมาธิอย่าไปวิเคราะห์ว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะงั้นเราไม่ต้องการให้คิดอะไรให้ให้นิ่งเฉยเฉให้รู้เฉยเยโยมนั่งสมาธิตามพระอาจารย์วันอาทิตย์อ่ะตอนที่พระอาจารย์สนทนาธรรมกับอกเอ่อดรเวียค่ะโยมก็นั่งสมาธิพระอาจารย์เพราะโยมรู้สึกเสียงพระอาจารย์มีอะไรไม่รู้พอเวลาโยม ฟังนะรู้สึกหัวสมองมันกระเจาแลนะ้วแบบเ อ, อพระอาจารย์สอนว่าให้ใช้สติจับไปที่เสียงทำแทนคําพุทโธโยมก็ลองทำโยมโยมก็ลองทํามันเหมือนกับเสียงนะเสียงพระอาจารย์น่ะมันเข้าในรูจมูกอะ่ะแล้วมั น, ม, นมันไปที่จับที่หัวใจอะค่ะแล้วแบบมันอยู่มันก็นิ่งเฉยๆแต่ว่าโยมไม่เห็นผีนะพระอาจารย์โยมไม่เห็นนรกสวัสดีนะไม่ได้เห็นให้เห็นความว่างให้ฉิดว่างทั้งหมด อีกบ้างจิต <Okay. S 1> สบายแห่ความสุขที่เกิดจากความสงบใช่แล้วมันคือเรารู้สึกว่าเราเราไม่มานั่งเศร้าทั้งที่เราก็อยู่คนเดียวเราไม่แบบไม่ว้าเหว่ไมถ่ถ้าจิตชะโงนแล้วมันไม่มันไม่ว้าเหว่คำ ว, ว้าเหว่เป็นเกิดจากความไม่สงบเกิดจากความอยาก <c oughs> อยากมีเพื่อนอยากไปนูน่นอยากมานี่พอไม่ได้ทํำก็เราเสียวขึ้นมา โยมก็ไม่มีอะไรคะ่ะจะจะมาน้อมน้อมนํากระถินเอ่อเอ่อกระถินตกค้างโยมไปร่วมมาเอ่อปีนี้สรุปแล้วโยมร่วมไปร้อยมากกว่าร้อยยี่สิบเก้าวันค่ะอาจารย์ยว่าเงินเท่าไหร่เงินว่าละกีตะะก่ตังค์อ่ะไม่ไม่อยู่ที่จานวนวันอยู่ที่จำนว น, วนจนวนเงินใช่อาจารย์เดือนนี้โหแบบครึ่งแบบ คนเงินดิกันปั๊บวันเดี๋ยวแต่กันเยอะดีกว่าวันเยอะแต่งานไม่ได้แต่แต่ยมก็ไม่ได้ว่าเนี่ยไม่ได้ว่าเสียดายอะไรนะแต่รู้สึกภูมิใจแล้วใจมันฟูฟูแบบเออเวลาเราทําแล้วใจมันฟูไม่อยากมองว่าเราทําไปเท่าไหร่เพราะว่าเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะรู้สึกอแบบเหมือนกิเลสอ่ะอาจารย์เข้าใจว่าะไม่ใช่กิเลสราไมันต้องรู้เถึงทำไปเท่าไหร่มันจะได้ ไม่ทำแบบลาพูหลอกตาทำไปได้ไยทำแล้วก็ต้องรู้ทำแบบวันหนึ่งแบบทำไม่เยอะแต่ยมใจฟูอ่ะพระอาจารย์แต่มันลาภูโอเคดีประหยัดตังดีใช่ไม่ได้ทำวัดระบาดอะไรงี่มันยมใจยมสมอะไรอย่างเงี้ยโอเคตาตุอนุโมทนาตาตุยมไม่รู้ยมบาปหรือเปล่านะมีอยู่วัดหนึ่งนะ โยมมีอะไรที่แบบว่าโยมไม่กล้าไปบอกกับพระอะเพราะว่าโยมทําบุญกระถิ่นไปและทีนี้โยมรู้สึกว่าโยมไปถามพระก่อนโยมโยมเนี่ยอยญ่ยจะทําวัดอันนี้เป็นวัดดังโยมก็ไปถามท่านว่าท่านท่านท่า น, านขอขอเบอร์ไอ้บัญชีหน่อยสิและพอดีว่าท่านก็เปิดไอ้วิดีโอคอลและท่านกําลังจะไปกระถินที่ที่ที่ทางราดบุรีท่านก็ให้ให้ใหพรโยมท่านก็เลยบอกว่า อ้าวยมยมโอนไปเลยตรงนี้บอก อ, าอ้าวแล้วทำไมไม่โอนเข้าเบอร์วัดล่ะท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรย ม, ยมเหมือนกันแหละเออโยมก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรยมก็เลยตามตามท่านไปก็ตามนาม้ําไปว่าอาจารย์จะบาปไมฮเไม่บาปเร า, า, าทําบุญท่านบอกให้โอนเข้าบัญชีไหนก็เรื่องของท่านไปแต่แต่แต่ท่านก็มีเมตากับยมนะเพราะยมโชคดีมากแล้วว่าโยมเห็นพระอตุ้ยนะุคเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่า ยกกระถินให้โยมเลยยกกระถินที่ราดบุรีให้โยมเลยบอกอุ้ยอย่าเพิ่งยกโยมยังไม่ได้ทำเลยโอเคโอเคสาธุอะไรโยมถวายพระอาจารย์ค่ ะ, ะถวายาทุกชาติอขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงนะคะอืพระอาจ า, ายรย์โยมอ1นาทีพระอาจารย์โยมอ่ะ ทำอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าโยมอธิษฐานจิตว่าขอให้โยมได้เดินทางธรรมได้ตลอดอย่างสะดวกเอสบายโดยไม่มีสิ่งใดขัดขวางโยมทำอย่างเงี้ยอธิษฐานอย่างเงี้ยหลังหลังสวดมนต์หลังหลังหลังภาวนาโยมทําถูกไหมฮะไม่ถูกนะขอไม่ได้ของนี้ต้องทําถ้าเราที่ทานถ้าทําแล้วไม่ต้องอธิษฐานให้เสียเวลาคือคือโยมถ้า<ม>อาธิษฐานแล้วไม่ทําก็ไม่ได้ ยอมอยากให้ได้ไม่ทำมาปลุกยอมอะปลุกสมองยมให้ตื่นรู้ไม่ให้ขี้เกียจพระเจ้าบอกใช้สติแล้วนะปลุกตัวเราเองไม่ได้ให้พระเจ้ามาปลุกเราอหค่ะโอเคนะสาธุอาจารย์ขอพรหน่อยที่จะรอยกระทงอะไรนจะให้ให้ความทุกข์หมดไปให้มีแต่ความสุข มีแต่ความเจริญมีแต่ความร่ำรวยตามมานะสาธุพระอาจารย์ขอให้วาจารย์ธาตุแข็งแรงเ จ, จ, จ้าค่ะอ่าอ่าคุณแนนจากอุดรธานีน้ำขาดทำมาสการ์ค่ะพระอาจารย์รูกวิ่มีคำถามเจ้าค่ะอ่าดีชอบคนอย่างนี้ <laughs> ขอบคุบคณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะอ่าคุณจุมม๊บเมยอะไรไหมกเบจุ๊บ ก, กเบ พิธการชาติเจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะวันนี้เริ่มหนาวเหรอที่ญี่ปุ่นตอนนี้เริ่มกลับมาร้อนอีกแล้วเจ้าค่ะช่วงสอ ง, สองสองสามวันก่อนนี่หนาวเจ้าค่ะอือุณหภูมิต่ําลงแต่ตอนนี้หันกลับมามามาร้อนอีกแล้วยี่สิบเอ็ดองศายีิบสององศาเจ้าค่ ะ, คะที่นใ น, นในในญี่ปุ่นเขาก็ออกข่าวกันค่ะว่าว่าปีนี้อากาศ เหมือนไม่ใช่เดือนเดือนสิบเอ็ดเดือนพฤศจิกายะอย่างเงี้ยเจ้าค่ะว่าภูเขาภูจีมันยังไม่มี่หิมะเลยนะค่ะเป็นแบบนั้นนะเจ้าค่ะแล้วร้อนไงก็บอกร้อนร้อนร้อนค่ะถ้าร้อนอย่างนี้นี่คือปีหน้านี่ก็คือใต้ฝุ่นนี่ก็คือจะเยอะแน่ๆเลยเจ้าค่ะยิ่งร้อนขึ้นฝา่นขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งร้อนขึ้นไปเหมือนกับหม้อน้ําที่เราปิดฝาไว้มันยิ่งร้อน ความดันมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นลมก็แรงขึ้นเจ้าคะ่ะก็แล้วแต่นะอันนี้จังทุกขาหน้าตาไปเจ้าค่ะอย่างมากก็ตายตายหมดค่ะโอเคไม่มีคำถามานะใช่ขอให้พรอาจารย์มีทัต์ขันแข็งแรง น, นงะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคุณมาริกา กราบน้ำระสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้มาร่วมคังธรรมไม่มีคาถามเจ้าค่จะจ้าาคุณเซีย ว, วคุณงไมคุณองอาจารย์ฟังผื่นเ <laughs> ังเออฝังได้ยินไได้ยินได้ยินจะได้ยินค่ะพระอาจารย์ก็ อ่าปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรอยาถามพระอาจารย์ค่ะดีฟังมาบ่อยนะฟังไว้ด้วยเพื่อนค่ะคำถามไม่มีแล้วคำถาสงสัยไม่มีอยู่ที่การปฏิบัติของเราเองค่ะก็คือปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นละค่ะพระอาจารย์ณตอนนี้นะคะพระอาจารย์นะสตินะพยายามฝึกใจสติอยู่ด้วยเลยค่ะอาจารย์เออไปคิดเร Celine, ื่องต่างๆนี้ค่ะก็คิดบาท่า อ่าเหมือนกับว่าเรานึกขึ้นได้ บ, บ่อยบ่อยเร็วขึ้นนั่นก็หมายความว่าสติเรามากขึ้นเว е ลาเราทำอะไรแล้วอพูดโทพุดโธรพูดโทรพูโธไปบางทีก็คิดหนึ่งเรื่องนู้นแต่ถ้ามันมันเร็วกับชั้นขึ้นก็ก็ถือว่าสติเร็วขึ้นใช่ไหมคะพระอาจารย์อืมใช่ค่ะก็คือกลับมาเหมือนเดิมให้เร็วขึ้นอืมถ้ามันวิ่งช่วงนานก็หมายความว่าสติเราขาดใช่ไหมคะพระอาจารย์วิ่งบ้างจากการที่เราไม่ได้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ ก็มันไม่เกี่ยวกับการทํางานสเตสตมันสเตตเราต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาข่ ม, มเข้าคิดเยอได้ตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ใจคิดเละไปค่ะพระอาจารย์อ่ะพอฝึกบ่อยๆครับไปมากนี้ขึ้นก็คือเบาเวลาที่เรามาันเราก็เบาเร็วครับพระอาจารย์ถึงแม้ว่าเราจะอ่านู่นนี่นั่นแต่คือเราเบาแล้วก็คือนานเราไม่ได้รู้สึกเหมือนเดิมอะค่ะพระอาจารย์อื ใช่เราเใจเราว่างาจเราเย็น ใ, นใจเราสบายพะผลโยสตคิค่ะค่ะพระอาจารย์ก็จะต้องปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นค่ะถ้าว่างก็คือจะโอเคปฏิบัติเลยะคะ่ะพระ อ, อาจารย์ตอนนี้นะครับดีค่ะอาจารย์จะจะไม่มีอะไรถามค่ะพระ อ, อาจารย์ไปที่ไต้หวันคุณกัณฑ์จินอยู่ไต้หวันตอนนี้หนาวร้อน กราบแมัทสการ์พระปาอาจารย์พูดดังหน่อยน้อมกราบนลมัสการครับตอนนี้เริ่มตอนขึ้นมานะครับสองสามวันหลังสาวอยู่ครับไม่ควรจะยินเลยนะเสียงเบามากพระปาอาจารย์อยู่ในห้องครับก็เลยพูดมันได้ดังครับโอเคมีอะไรไหม ไม่ครับ้ามากราบพระอาจารย์ครับโอเคสาธุไปเลยนะไปที่ท่านบอกไปคุณทิสติมาขธมะกับนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้เข้ามากับต่อพรวันเกิดค่ะพอดีวันนังการนาเป็นวันเกิดหนูค่ะพระอาจารย์โอเคต้องการไอเดีย <laughs> อะไรก็ได้ค่ะพระอาจารย์ ออเจริญทางโลกก็เจริญทางธรรมดีแหละทางธรรมดีกว่าค่ะทรมนะโอเคขอให้ได้มากผลที่ผ่านถ้าทางธรรมนะถ้าทางโลกก็ได้ลาบยศเสริสุขสาธุกรับพระอาจารย์ขอพระอาย่านแข็งแรงนะคะอ่าอ่าคุณกุ้งเจอคุณกุ้งอยู่ที่ไหนคุณกุ้งพรบอาจารย์ได้ยินใช่ไหมคะอ่าตรกพื้นใกล้ๆยังได้ยิน อยู่ที่ไหนเอ่อตอนนี้อยู่ยะลาค่ะอ่าเคยเข้ามาป่าวเคยเข้ามาเมื่อสามปีที่แล้วค่ะเคยทํามพระสภาวะธรรมกับพระอาจารย์ตอนนั้นอยู่พังงาค่ะอ่าแล้วตอนนี้ย้ายมาอยู่บ้านแฟนที่ยะลาแล้วทีนี้ก็ก็เอ่อรู้สึกว่าในการปฏิบัติธรรมแล้วมันมีการพัฒนาในสภาวะธรรมอะค่ะรู้สึกว่าเราอยู่กับปัจจุบัน มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกว่ามีสติอยู่กับปดีจ่บ แ, <ต>แล้วก็า่ไม่ไปไม่คิดตรงแต่แล้วก็ น, นี้มันเหมือนกับว่ามันเห็นทุกอย่างเป็นทุกข์ไปหมดแล้วมันแบบมันรู้สึกว่าเราเราไม่อยากกลับมาเรียนไหวตายเกิดแล้วค่ะพระา อ, อาจารย์แล้วก็ไม่เป็นทุกข์แต่เราอย่าไปทุกข์กับมันก็นนแล้วกันใช่ค่ะพระอาจารย์ก็คือก็คือคือถ้าได้แต่รู้ว่าค่ะรู้แต่ก็ไม่ไม่ ถ้ามันเป็นทุกข์ก็อย่าไปยุ่งกับมันได้ปล่อยไปลยแล้วทีนี้ว่าพอดีว่าจะถามสภาว่าทำพระจารยะคะว่าอนั่งนั่งสมาธิแล้วก็เลยความสึกว่าเหมือนเราไปเหมือนมันมือดอะคะ่ะมืดไปหมดเลยแล้วก็พอพอพอพ อ, พ อ, พอจิตเราไปไปดูไปเขา้ายิ่งเพ่งเข้าไปมันก็ยิ่งลึกเข้าไปยิ่งเพ่งเข้าไปมันก็แบบลึกแบบไม่มีที่สิ้นสุดอะคะ่ะพระอาจารยไ์ไปเพ่งไปเพ่งเพ่งอะไรนะเพ่งดูอะไรเพ่งนดูจิตนะ เออเหมือนกับว่านั่งๆพอนั่งไปแล้วมันเหมือนกับว่ามันมันมืดลงไปอะค่ะพระอาจารย์มันไม่เห็วด้วยอย่าไปสนใจให้เราอยู่กับพุทโธไปแล้วอยู่กับลมไปแล้วค่ะแล้วก็หีนี้พอพอพอนั่งสมาธิเสร็จทีนี้พอมันนอนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราฝันไปแล้วก็เราฝันแบบมันประมาณว่าเออเห็นท้องฟ้าอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็มันอึดอัดมันอึดอัดมากจนแบบจนเราไม่รู้สึกว่า เราเราต้องปล่อยแล้วอะค่ะพอพอพอพอเราปล่อยปุ๊บคเนี่ยตัวเราก็พุ่งพุ่งขึ้นฟ้าไปเลยลอยอยู่บนฟ้าอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็แล้วอยู่อย่ทีนี้ก็พอดีเสียงนาฬิกาปลุกดังก็เลยตื่นเลยเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมันมันเหมือนเราไปลอยจริงแล้วก็แบบกายเบาจิตเบาอะค่ะพระอาจารย์มันเหมือนกับว่าเราเราเราไปปิติไปเหมือนกับว่าไปมีความไปปิติตรงนั้นนะคะพระอาจารย์ อวามจริงนั่งแบบนี้ไม่ดีเพราะมันนั่งแบบใจลอยนั่งแบบไม่มีสตินั่งมันต้องมีสติอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมแล้วอะไรจะเกิดก็อย่าไปตามมันอย่าไปสนใจแล้วราขาให้ใจนิ่งให้ใจสงบใจว่างใจเย็นใจสบายถ้าไปตามมันมันก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาคกก็็ก็นะครับก็พยายาม ทำเหมือนที่พระอาจารย์บอกอค่ะก็คือก็อจะไม่ไม่ไปเหมือนกับว่าให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดอะค่ะอย่างเดียวอย่างอื่นแบบไม่ว่าจะจะคิดว่าจะเกิดสภาวะทำอะไรก็ตามก็คือก็ได้แต่ว่ารู้อะไรย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อืก็ดีแต่ถาเวลานั่งสมาธิมันต้องอยู่กับนมแล้วอยู่กับพุทโธมันถึงจะสงกได้อยู่กับปัจจุบันนี่มันมันยังเป็นคําั้งกว้างอยู่ มันยังไม่ทําให้จิตรวมได้ถ้าอยากให้จิตรวมจิตเน่งมันต้องอยู่กับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเวาไม่ได้นั่งสมาธิก็ให้อยู่กับร่างกายค่อยเข้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายแล้วมันก็จะอยู่ในปัจจุบันถ้าอยู่กับร่างกายมันก็จะอยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าเราคิดว่าเอยู่กับปัจจุบันนี้มันเราก็ไม่รู้มันปัจจุบันจริงหรือไม่จริง พยายามมีอะไรยึดต้องมีอะไรคอยดึงใจไว้ถ้าไม่ได้นั่งสมาธิก็ต้องใช้พุทโธก็ได้ใช้การเฝ้าดูละนั่งใจก็ได้เป็นตัวยึดใจไม่ให้ลอยไปกับอารมณ์ต่างๆเวลานั่งก็ใช้พุทโธก็ได้หรือใช้ลมหายใจเข้าออกก็ได้มันต้องมีอะไรยึดใจไม่ใช่ปล่อยให้ใจลอยไปตามอามอเรมณ์ มันก็พยายามพิจะะารณาพิจะะารณาร่างกายแบบว่าเป็นอ ส, สุภาค่ะพระอาจารย์คือว่าเห็นว่ามันร่างกายมีแต่ของสกโปกอะไรเงี้ยค่ะใช่มันก็ต้องมันต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนไปไม่ใช่ทำแบบเมอยากจะทําอะไรก็ทําไปอ่มันก็จะไม่ได้อเป็นเป็นเป็นเป็นเกอบเป็นกรรมเน อ, อนนิดนิดอ่อนนหน่อยแล้วแต่อารมณ์มันอันนี้มันยัง มันยังมันมันยังไม่ถูกคนจะทำเป็นขั้นขั้นไปถ้าทำสติก็คอยคุ้มไปอย่าไปอย่าเพิ่งปล่อยให้มันคิดทำจิตให้กลุ่มความคิดให้ได้ก่อนให้จิตเข้าสมาธิให้ได้ก่อนอันตอนนั้นหลังออกหลังจากออกจากสมาธินั้นจะพิจารณาทำอสุภะก็ได้การสฐานที่สองก็ได้นต้องทำเป็นขัน้นเป็นตามมัอนอยงนีงได้ผลถ้าทำเป็นแบบ อ้ามข้ามไปข้ามมามันก็มันก็ไม่ได้เลยควรจะเข้าใจนะก่อนจะไปทางปัญญาเราต้องให้ได้สติได้สมาธิก่อนพอได้นนสติได้สมาธิแล้วเราค่อยไปทางปัญญาต่ออีกที่นึงสลับกับสลับกับการเข้าสมาธิเวลสมาธิอยู่ในสมาธิแล้วก็ให้จิตนิง่งเฉยไม่คิดอะไร ในเราจากสมาธิมาก็ถ้าอยากจะคิดทางปัญญาคิดไปอสุภะก็ได้กอยแก่เจ็บตายก็ได้นิ่น้ำลงไฟก็ได้เข้าใจไหมมีอะไรไหมปไปเงียบไปคุณกลุ้มเสียงไม่มาไ ด, ดย้ยินไหมคะพอแใช่ไหม เตียงเบาโอเคมาในน้ำสักการ์เขาใช่ไปที่ท่านต่อไปคือคุณสุภัสตาเชิญกลับน้ำมาสการพากาจารย์เจ้าค่ะลูกขอร่วมฟังเจ้าค่ะไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคดค่ะยันไปวันนคุณวันนตอนนี้ยังอยู่โอซาการอยู่ปะนี่อยู่เกียวโตอยู่ปะับส่งพอกับนาำสการเขาอยู่เกียวโตอยู่ครับแล้วก็เพิ่งจบคอร์สแล้วพัซ่าหมด เดือนหน้าทีนี้ผมก็ยังอยากหาประสบการณ์ต่อครับก็เลยว่าต้องหางานให้ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างจะเครียดอยู่ช่วงนี้ครับเพราะว่ารู้สึกว่ามาได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างครับทำไมถึงตเล่นเมืองเกียวโตอ่ะเพราะโรงเรียนอยู่ที่นั่นมันอาจจะเพราะว่าได้ข่าวว่ามันเป็นเมืองหลวงเก่าก็อยากรู้เก่าๆมันเป็นยังไงอย่างนั้ น, นะครับโดยโ ต, <ม>ตเกียวเคยไปเที่ยวหลายที่แล้วครับอืม ในเวลานเลือกเลือกที่ไปนี้เราเลือกที่โรงเรียนก่อนแล้วเลือกเมืองก่อนรุมรวมกันครับทั้งสองอย่างเลยครับอยากจไปเกียวโตโครับถ้าหาเราเหาโรงเรียนที่เกียวโตดูว่ามีหรือเปล่างนี้เลยใช่ครับผมนี่ก็อยู่มาปีหนึ่งแล้วครับแล้วตอนนี้ก็จบคอร์สแล้วก็อยากหางานทําต่อถ้าหากเดือนหน้าหาไม่ได้ก็กลับไทยประมาณนี้ครับแต่ว่าอยากหาให้ได้นีครับก<ม>็อยู่ที่งานที่เราจะหาแนะ ว, ว่ามัน เราถ้าเลิกงานก็หายากถ้าไม่เลือกงานก็หาง่ายครับเพราะวีซา่านักเรียนมันหมดมันหมดลงเดือนหน้าผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นวีซ่าทํางานซึ่งผมกาลังหาอยู่ครับก็เวลาก็ไกล้นะครับที่เราไปเรียนนี่เรียนแต่ภาษาอย่างเดียวใช่ไหมในภาษาญี่ปุ่นครั บ, รบแต่ก็ได้เรียนรู้เรื่องผู้คนหลายอย่างแล้วเราสกิลไปทํางานนี่เราจะเอาอะไรไปเป็นสกิลไปเสนอเท่าไหร่ ถ้า ต, ตอนนี้ข้าหวังว่าที่จะพอเขาได้ก็ร้านอาหารอะไรประมาณนี้มาครับพอคาดคะส ม, มุดได้นะครับก็ร้านอาหไทยคนไทยเนี่ยต้องไปห า, หาร้านอาหารคนไทยอืมครับมีไมร้าอาหารไทยในเกียวโตวมีครับแต่ว่าก็ต้องบังก็ยังเซอร์เวไม่ครบยังไม่ได้เซอร์เวยเยอะมากครับอืมเนื้อแยกเนื้อแยก พยายามสือหาของอาหารของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาก็ไม่รับรอยอ่างเราพูดภาษาไม่ไม่คล่องมันมันจะเป็นพาร์ทไทม์จ็อกมากกว่าครับครับ ถ, ถ้วยน้งชามเลยครั บ, ค, รบคือมันต้องเป็นได้งานแบบเป็นพนักงานไม่ใช่แค่พาร์ทไทม์ครับถึงจะเปลี่ยนมิสซาได้นะครับอืก็ไม่ใช่ของงา่ายครับก็แล้ว ก, วก็ที่ได้ยินเมื่อกี้บอกปีที่ปีนี้ ญี่ปุ่นมันยังร้อนอยู่ผมก็เลยดูซิปวันนี้เมื่อปีที่แล้วต่ําสุด7องศาแต่ว่าที่นี่วันนี้ต่ําสุด12องศาแต่ว่ามันก็12องศามันก็หนาวแหละครับแต่ว่ามันไม่หนาวครับปีที่แล้วครับอืมจ17องศาเลครับต่ําสุดปีที่แล้ว7องศาวันเดียวกันนะครับวันที่ 10, 14พฤศาจิกายน13นี่ครับปีนี้ก็12กางวัน20 20ก็สบายๆแจ็กเก็ตตัวนหนึ่งอย่างเงี้ยครับอืมแล้วก็ ที่โรงเรียนสอนภาษาเขามีเปลี่ยนครูใหญ่คนใหม่เป็นคนอเมริกัน<ม>อายุ75ปีมาอยู่ที่นี่55ปีแล้วอย่างนั้นนะครับเลยนึก<ม>เขาพูดเรื่องได้คุยกับเขานิดหน่อยเขามาจากเซาท์กโกต้ตาครับ<ม>เขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่ อ, อตั้งปี2006เด<ม>็กเขาอยากสละสัญชาติอเมริกาทิ้งเลยแต่เขาไม่ได้ตละนะครับทุกวันนี้เขาก็ถืออเมริกาอยู่แต่งงานกับคนญี่ปุ่นอยู่ที่นี่มา50กว่าปีอยัางนั้นนะครับ<ม>ตั้งแต่อายุ21 แล้วก็วันนี้จะมาถามปัญหาธรรมะที่ที่ว่าเลยที่หลวงพ่อเคยบอกว่าคนที่ธรรมะถ้าออกจากคนที่ไม่ใช่ธรรมะแท้ก็จะไม่ใช่ธรรมะแท้แบบถ้าออกจากธรรมะแท้ก็จะเป็นธรรมะแท้ช่วยขยายความหน่อยครับอ่าก็เหมือนคนที่อ่ามีเงินแท้กับเงินปลอมอ่าคนที่มีเงินแท้เขาก็เงินของเขาเป็ของขอแท้ใช่ไหมครับถ้าคนที่ไป มีแต่งินปลอมเงิแบง์ปลอมเ้าก็มีแต่แบงปลอมมาแจากเราแบง์ปลอมก็ไปซื้อของไม่ได้ทำแท้ก็จะดับความทุกข์ได้ทำไม่แท้ก็ดับความทุกข์ไม่ได้ก็ก็ก็แล้วก็ต้องดูสิว่าคำสอนเขาเราไปดับความทุกข์ได้เปล่าถ้าไปดับได้แล้วก็ถือว่าเป็นทำแท้คำที่เขาสอนแล้วเราไปปฏิบัติแล้วดับขั้น ทำทุกไม่ได้มันก็แสดงว่ามันก็มันยังไม่ใช่เป็นธรรมแท้ครับก็โอเคครับก็อยู่ขอบคุณครับเรื่องนี้ก็สงสัยเขาช่วงหลังมันมีกระแสคนออกมาพูดไงผมก็ต้องอมันก็มีจริงเท็จผสมกันไปมันก็เออทำให้นึกถึงคำสอ น, นที่ผมพ่อเคยพูดนะว่าแท้ไม่แท้แล้วก็สำคัญที่ตัวเราเลยเนาะก็ ก็ตอนนี้ก็ตั้งใจว่าจะหาประสบการณ์เพิ่มก็ก็เรียกว่าขอพรออทุกด้านขอให้หางานได้แล้วครับผมหลพอขอขอพรนะขอเป้น ข, ขอได้อะไรขอได้ก็ไม่ต้องทำอะไร <c oughs> ขอกำลังใจแล้วครับหลวอกขยันหาที่ขยันออกไปหาเดินไปตามร้านตา่างๆถามว่ามีอานต้องการคนงานไหม นางงมืองอท้าจะให้งานมาหาเราคงยังไม่มีวันที่จะได้งานก็ <est> <c oughs> พยายามหาอยู่ครับแต่ข้อจํากัดมันเยอะเช่นอะไรของเขาระเบียบของเขาเนี่ยครับก็ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเป็นของยากถ้าไม่ได้กลับบ้านก็แล้วกันกลามาทําที่บ้านครับก็ทางั้นเนีใช้ปัญญา <c oughs> ปัญญ า, ญญามันก็จะบอกว่าอะไรเป็นย่างไรถ้าอย่างนี้ไม่ได้ก็ไปทางนี้ไม่ได้ก็ไปอีกทางหนึง่งก็ทานเองใช่ไหม ครับก็จะนี่ก็เหลือแต่สุดท้ายครับก็จะหาได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับผมอะไเนี้แต่ก็แบบจะลองอสักพื้นหนึ่งครับอืก็ได้เดรียนรู้หลายๆอย่างก็สนุกก็ได้ประสบการณ์ที่ดีครับดีบครับอยู่มาหนึ่งปีเลยครับปีนิดๆแล้วครับตอนนี้อันนี้ผูดญี่ปุ่นได้แล้วสบายแนละ้วยังครับยากเหมือนภาษาจีนเลยครับตัวอักษรคันจิ ใแ ต, แต่แต่เวลาพูดนี่มันไม่ต้องดูใช้ตัวอักษรก็ได้ใช่ไหมอ๋อครับก็นสิ่งที่เรียนกับสิ่งที่ใช้จริงมันก็จะมีความต่างกันปร ะ, ประมาณหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ใช้พูดคุยภาษาญี่ปุ่นได้แล้วใช่ไหมเอ่อพื้นฐานได้ครับพื้นฐานนะ okay. พื้นฐานได้แต่เจอคนญี่ปุ่นพูดรัวใส่ก็ฟังไม่รู้เรื่องครับอ่ามันจะมีปัญหาคือเราพูดญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่นเขากคิดว่าเราพูดญี่ปุ่นได้ทีนี้เขาก็พูดอะไรมาก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันจะเป็นมันชอบเป็นอย่า ง, ง น, นั้นไหมคร <out. S 1> มันไม่เหมือนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมาเรียนมา20ปีญี่ปุ่นมา2ปีอะไรอย่ cool er อ pues okay. างนี้มันก็เทียบยากความถนัดมันก็ต้องใช้เวลาครับใช้เวลาโอเคครับก็วันนี้ก็เข้ามาอย่างนี้ครับก็ครั้งก่อนเล้วเคยบอกหลวงพ่อว่าจะจะกลับไทยแล้วหลวงพ่อบอกว่ากลับไทยไปก็ยังไม่ได้ก็ไม่รู้จะทาอะไรให้อยู่ต่อเพื่อหาประสบการณ์ทีนี้มันก็กลับมาอีกครึ่งปีละหมดคอร์สเรียนแล้วก็อยากหาอะไรทาต่อก็หวังว่าจะหางานได้ครับหลวงพ่อ โอเคก็ขอให้ได้ทังที่ต้องการนะได้ครับขอบคุณมากครับโอเคแล้วก็ถึงแม้จะไม่ค่อยเข้ามาบ่อยแต่ก็ระลึกถึงไหว้พระสดมนไม่ขาดครับหลวงพ่อเคคราทําอะไรอยู่เห็นเครื่องขงเาชัดอ๋อเอาวางวางโทรศัพท์ไว้บนหัวเข่าครับขาตั้งมันเสียครับเออคิดว่ากําลังกลายไปทางไปไม่ครับไม่ครับคือขาตั้งมอนเสียก็เลยต้องวางไว้หัวเข่าพิงไว้กับโต๊ะครับโอเคโอเคครับ ขอบพระคุณมากครับหลวงพอ่อก็ครับสดบสดีคิดถึงหลวงพ่อครับก็เดี๋ยวจะปฏิบัติให้มากขึ้นครับครับกับขอบพระคุณครับสวดดีครับอไปที่ท่านต่อไปคุณเทียนนิดหน่อยคุณหน่อยกราบนรัมสถารพระอาจารย์เจ้าค่ะได้ยินเสียงชัดไหมเจ้าค่ะชัดเจนจ้าค่ะลูกก็ไม่มีอะไรคะ่ะก็รุ่มรุ่มดอนดอนเหมือนเดิมเจ้าค่ะเข้าออ ใชคะเวลาม้าวุ่นทําอะไรไม่ได้เลยเจ้าค่ะอไม่มีสติไงถ้าฝึกสติอยู่เรื่อยมันจะคุมได้พยายามฝึกสติบ่อยๆน่าจะคุมใจให้อยู่อยู่ในความสงบไม่วุ่นวายได้ใ้่ค่ะคุมร่างกายก็ไม่ได้เจ้าค่ะเหมือนจะวูดนอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะอมไม่มีสติอย่างที่พระอาจารย์บอกแต่ว่าคือสติหลุดอะ่ะแล้วทีนี้พอไหนดึงกลับมา เหมือนตอนล้างชามอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็รู้ว่าล้างชามแต่ว่าไม่ได้คิดว่าล้างชามอ่ะเจ้าค่ะเออใจมันโดยไปที่อื่นนะเจ้าค่ะต้องต้องเดินกลับมาอยู่กับเห็นมือตัวเองล้างชามอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะได้ต้องอยู่ ง, งานที่เราลังทําอยู่แไม่เช่นนั้นก็ใช้พูดโทรแทนก็ได้อาจารย์หน่อยลองกระนำแล้วเจ้ค่ะก็ยังหลุดอยู่ดีเจ้าค่ะ ก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆไม่ใช่ทำปุ๊บ ม, มันจะได้ปั๊บเลยวานี้มันอยู่ที่ความพยายามทาไปอย่างต่อเนื่องใหม่ๆ ม, ม, ม, มันก็อย่างเงี้ยมันก็ชอบดุลได้ชอบเผอเลอได้แต่ต่อไปเราทาไปเรื่อยๆมันก็จะดุลน้อยลงเผลอน้อยลงเจ้วค่ะก็จะพยายามให้มากนะคะพยายาแล้วก็มีความเพียรให้มากว่าทำไปเรื่อยๆใจเย็นๆแล้วค่ะเพราะว่า รู้สึกว่าพอเจอความทุกข์แล้วมันหลุดยากจริงๆค่ะเรื่องบางเรื่องแบบไม่คนอื่นเขาอาจจะปงได้แต่ว่าหน่อยก็ก็ออกจากมันไม่ได้เนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันล้วค่ะก็ความรักความชอของแต่ละคนมันไม่มไ ม, ไม่เท่ากันนะใช่ค่ะว <Okay. S 2> นะันนี้นะนี่นะคะสาธุจ้าอ่าไปที่คุณหมอสุทธศเส มรสมการด้านพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคงั้นไมที่คุณ อ, อมต่อคุณ อ, อมอยู่ที่ไหนนรสมสกาคขาพระอาจารย์อ่อยู่ที่ไหนจ้ะอยู่ขอนแก่นครับผมอมีอะไรไหยอ่าผมปฏิบัติธรรมมาประมาณห้าปีครับแล้วก็ ช่วงสามสี่วันนี้เริ่มเห็นความเป็นอนัตตาของจิตมากขึ้นครับว่าโทษะราคาหรือว่าอะไรต่างๆนานามันผูดขึ้นมาจากกลางอกเองครับแล้วพอเรามีสติเข้าไปจับอารมณ์โทษะต่างๆนานามันก็ดับลงไปเลยใช่ครับเราเริ่มเห็นความเริ่มมีความไวของการเห็นมากขึ้นครับ ในการเห็นเกิดระดับเกิดระดับมากขึ้นครับใช่ครับแล้วก็เห็นความเป็นที่บังคับไม่ได้เลยอยากอยากดีอยากสงบก็สงบไม่ได้แต่พอถึงเวลาที่เราทำารรมถาไปมากขึ้นอยู่ๆเขาก็สงบของเขาเองใช่ครับก็ดีแต่ความจริงควรจะไปดูที่ร่างกายก่อนนว่ามันเป็นหน้าตามไม่ใช่ตัวเราของเราครับ ปล่อยร่างกายให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปปล่อยจิตได้ครับเดี๋ยวไปปล่อยจิตแต่ลืมร่างกายยังายึดกรรมมายึดติดกับร่างกายอยู่อีครับปล่อยร่างกายได้ไหมไม่ใช่ตัวเราเห็นเหรอเป็นตัวตัวเราแล้วไม่ใช่ตัวเราเริ่มเห็นแล้วครับว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราอม่มันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ต้องก็ต้องปล่อยมันไปนะครับฝืนไม่ได้ใช่ไห นะครับนะ<ม>โอเคมีท่านนี้เหรอใช่ครับก็ต้องฝึกสมาธิด้วยนะถึงจะปล่อยได้ถ้าไม่ฝึกสมาธิมันก็จะปล่อยไม่ได้นะครับอันนี้เข้าใจเลยครับว่าเรายังยึดไกยอยู่ระดับหนึ่งเลยเอะแต่ว่าเริ่มวางได้มากขึ้นอืมใช่ครับ เรื่เกียจยังยังไม่ได้ไปไปกังวลกันมานะเอากังวลเรื่องร่างกายก่อนนีกว่อ น, นะครับได้ครับโอเคสาธุสาธุ uh, ไปที่คุณก๊อฟคุอฟเซราซร า, านีจากคอน<า>แกนม า, ม า, าแลมาร้องรับฟังแล้ว ก, จจกาาม็มาหากำลังใจจากพ่อจางไปอ่าเป็นอย่างมาอาหารก็ดีขึ้นครับก็คือไม่กินเยอะก็รู้สึกว่า ตัวเล็กลงไปนิดหนึ่งแต่ว่าให้มันลดตรงเยอะๆหน่อยนิดหนึ่งไม่พอแล้วก็ได้พระอาจารย์ชี้จุดสำคัญแล้วว่าเรามีความบกพร่องตรงไหนก็ได้จำไว้ในใจครับแล้วก็มีโอกาสก็ได้ปฏิบัติตามครับแต่ว่าครับตามตามเท่าที่ทำได้ครับพระอาจารย์ก็ ก็อาศัยความสงบจากการฟังธรรมอยู่ครับก็เท่านี้แหละครับโอเคครับคุณจอยพัทยาน้องชายนอนหรือยังมาแล้วตื่แล้วมาากราบหน่อยได้มาไหว้หน่อยสิเอ๊ะมาสักสันกราบหน่อยนี่กราบหนึ่งากันเวลา ก่อนนอนนี่ตอนตอนเนี้ยยังยังได้พอตอนเช้าไปใส่บาตรทุกที่เลยค่ะมไม่พูดอะไรเลยเมื่ใส่บาตรเล่นเสล่พ่อจ้าค่ะเออหนูหนูสอบถามเลยค่ะ ค, คาว่าบุญคุณเนะะียค่ะมันมีวันหมดกันไหมคะบุญคุณเหมือนคนที่เขาช่วยเรามันมีบุญคุณหมดหมดไหมคะมีมีหมดได้บุญคุณพ่อแม่ก็ยังหมดได้เลยอ๋อบ่ ของพ่อแม่ก็หมดได้ค่ะอถ้าเราทำให้พ่อแม่เป็นพระโสดาบันได้แล้วมันคนก็หมดนะเหมือเราเป็นหนี้เขาเราเป็นหนี้เขาแสนหนึ่งแล้วก็จ่ายแสนหนึ่งมันถึงจะหมดนะอ๋อแล้วถ้าเขาช่วยเหลือแบบคนที่เรารักเหมือนช่วยเหลือลูกเราอย่างเงี้ยแล้วมันมีวันหมดไหมก็เขาช่วยเหลือเราเท่าไหร่ละหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งเราก็ช่วยกลับไปเท่านั้นมันก็หมดนะอ๋อก็ไม่ต้องยึดติดกับมันใช่ไหมคะหมายความไงไม่ยึดติด ไม่ยึดติดว่ามันเป็นบุญคุณกันถ้าเราช่วยกันแล้วก็จบไปใช่แต่ก็ยังคิดถึงความดีของเขาอยู่ว่าเขาก็ถึงแม้เราไม่เป็นหนี้เขาแต่เขาก็ยังเป็นคนที่ไม่ตาเราอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่พอใช้ใ ช, ใช้ใช้บุญคุณหมดแล้วก็เลิกกันไปไม่สนใจไม่ยาแสกันไม่ใช่ก็ยังมีความรักความความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่ อ่ะหนูเห <c oughs> <pol commission> ็นครอครัวเขาเถียงกันเรื่องบุญคุณนก็เลยรู้สึกว่ามันมันมีหมดเลยหรอป็นคุณหนูก็หนูก็เลยแบบอมันหมดได้อย่างพ่อแม่กาจะให้หมดก็ต้องทำมาให้ท่านเป็นพระโสดาบันอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ถ้ายังเป็นโสดาบันไม่ได้ตายใเราแบกท่านไว้บุญบ่าบนเขาเลี้งดูท่านบนบ่าบนไหยัเลีงดูไปจนวันตายให้ท่านขับถ่ายบนร่างกายเราบุญก็ยังไม่หมดบุญคุณก็ยังไม่หมด อือแล้วือคอพ่อแม่นี่มีมมากค่ะหนูหนูหนูเชียร์ค่ะอืมแล้วหนูหนูจองวันไปบวชแล้วค่ะสามวันเหมือนเดิมยี่แปดยี่เก้าสามสิบแต่ว่านี่หนูไปข้างล่างถ้าถ้าหนูไปคนเดียวหนูอยากจะขึ้นเขาแต่ว่าพี่สาวเขาอยากไปด้วยเขาอยากลองหนูก็เลยอ่าก็ง้างไปก่อนก็ได้่น ถ้าถ้าหนูไปคนเดียวหนูอาอยากจะขึ้นแบบอยากจะสงบมากกว่านี้เพราะว่าถ้าไปกันหลายหลายคนแล้วเขาเขาคุยไงบางทีเราไม่อยากคุยแล้วเขาคุยอ่าถ้าไปมบนเขาเนี่ยเราไปคนเดียวไปคุยกันไม่ได้ถ้าไปอยู่เข<น>าไมไยากกนอยูครั้งหนึ่งก็คือแบบเงียบมากได้ยนินแต่เสียงต้นไม้กับเสียงนิงเสียงอะไรอ่าเดี่ยค่ะถ้ามีโอกาสเดินออกไปค่ะโอเคสาธุ คุณน้ำเพิ่มแค่ไหนน้ำเพิ่มาบ้างคุณนาตตีคุณนาตตีอยู่ที่ไหนคุณนาตตีอยู่ที่จังหวัดร้อยเอดค่ะพอดีเพิ่งเข่ามาฟังตับท่าพระอาจารย์ไม่มีค่ะพอดีนั่งนั่งฟังธรรมะแล้วก็ถามตอบกับเป็นเพื่อนก็ได้ความรู้ได้ความสงบดีค่ะอืก็ต้องกราบขอบพระคุณมากมากเพราะว่า พอดดูกายด้วยดูดูลมด้วยแล้วก็นั่งฟังท่านพระอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆก็ได้กระแสธรรมะดีๆรู้สึกสงบดีสวัสดีสาธุ่ะสาธุค่ะสามาที่คุณคุณจุ๊บคำถามจาคุณคุณจุ๊บกับนาัสการพระอาจารย์ค่ะมีหนึ่งคำถามจากทาง ยูทูบค่ะจากคุณปนัดดาอินทนาค่ะอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลาเรากราบพระพุทธรูปแล้วเห็นหน้าท่านยิ้มกับบางทีก็ไม่ยิม้มบางทีก็สัมผัสถึงความเมตตาค่ะดิฉันชอบฟังธรรมะและสวดมนต์และนั่งสมาธิค่ะก็ยิ้มไม่ยิ้มมันอยู่ที่ใจเรามากกว่าพระพุทธรูปท่านก็อยู่ของท่านอย่างนั้นน่ะถ้าไม่มีเปลี่ยนแปลงเราทนเคลื่อนไหวไม่ได้ ถ้าเราเห็นว่าท่านยิ้มไม่ยิ้มเนี่ยก็อยู่ที่อุปทานของเราจิตเราปรุงแต่งไปเองอหมดแล้วค่ ะ, ะอาจารย์ค่ ะ, ะคุณ iPhone ท่านสุดท้ายคุณเพิ่งเข้ามาอยู่ที่ไหน<า>กับ <ณ S 1> นันมาตการพระอาจารย์ครับมีอะไรไหมผมชื่ออภิชัยนะครับที่อยู่ปัจจุบันอยู่นนทบุรีครับ แต่ตอนที่ผมเข้าซูมครั้งแรกผมพลาดกดเข้ามาในชื่อไอ o n e ครับไม่เป็นไรว่าเขาหน้าตั้งชื่อใหม่ได้ก่อนจะเข้ามาอ๋อไปตั้งที่โปรแกรมซูมอะโปรแกรมซูมเขจะให้เราตั้งชื่อว่าไปเปลี่ยนชื่อไปดิเ n ตติอ้อะครับแล้ววันนี้ผมยังไม่มีคำถามครับโอเคแล้วก็ แต่ว่าผมอยากขอรบกวนคุณหลาปรึกษาเรื่องช่องทางติดต่อที่จะไปปฏิบัติธรรมบนเขาชีโอนครับเพราะนั่นสลหรับผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายอ๋อผู้ชายถ้าอยากจะมีบนเขาต้องไปติดต่อกับพระมีอยู่ฝั่งฝั่งพระไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่รวมกันก็ลองติดต่อคุณหลาก็ได้แต่ตอนนี้คุณหลาแกไม่อยู่แกลา ให้กินเนยวเรืออันจะมีท่านบาง่นทีมงานบางท่านก็สามารถอาจะให้ข้อมูลได้ครับผมไม่มีคำถามแล้วครับโอเคขอบคุณพระอาจารย์ครับสาธุครับสาธุอย่างคุณปอนก็อาจจะให้ข้อมูลเขาได้ถ้าติดต่อกันได้เราลองส่งแชทไปดูก็นลา